อาจารย์พรท่านสาธุชนพุทธบรตรัทผู้ฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติท่านศีลภาวนาท่านที่สนใจอยากอยาเข้ามาร่วมสนทนาธรรมด้วยก็ขอเชิญได้ตามอัธยาศัยอย่างดูว่าตอนนี้ดูถ่ายท่าสนได้ยัง ไ, ได้แล้วครับโ okay. อเควันนี้ใครเข้ามาก่อน mm hmm. เด็กชายนักคุณเชิญเด็กชายนักคุณการนมัสการค่ะพระอาจารย์อะไรเงี้ยไม่งี้มอืมวันนี้ไม่มีคำถามขอเชิญวันนี้ <c oughs> สนหรือเปล่าพี มากครับมากครับบอกสิบอกอาจารย์ว่ามากครับอาจารย์ทำวัสดุหรือเปล่าแต่ที่จะบอกว่าค่นิดเดียวอ๋อันนี้เดียวกันนิดเดียวอ่ะนิดเดียวค่ะทําอะไรนิดเดียวทําอะไรเสียหายบ้างวันนี้ไม่เสียหายมีอะไรเสียหายเอาของเล่นไปโดนคนที่ยืนคอยรถอยู่ใช่ไหมครับอืาไม่มีสติเนี่ยทําอะไรต้องมีสติ ทำอะไรถ้าไมีใช่้ อ, อ, ชองดูต้องดูว่าหนูกำลังทำอะไรอยู่ทำให้เกิดความเสียหาย ห, ายหรือไมออ่ถ้ารู้ว่าจะสเกิยความเสียหายก็ต้องหยุดไม่ทำนะพยายามฝึกสติค่อยดูว่าหนูกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ oh <my> อือเราทำให้เรียบร้อยอ่อ เราไปหนูจะได้ควบคุมตัวเองได้ได้ปะเีไหมเราจะได้ไม่ต้องอะไรชีวิตที่น้องคุณถามว่าชีวิตสุดท้ายอะไรเป็นไงโอเคไหมโอเคแนละ้วมีอะไรไหมน้องบอก่หมขึ้กกับนองขึ้นกับนิมัสการกบพเจ้าโอเคไป <laughs> ไม่ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์มากาบประจักรรมเมืองไทยเมื่อไรสองอาทไทะค่ะพระอาจารย์มาเมื่อคืนค่ะทำไมทำไมาเร็ววจะไปอยู่นานไปครบเกือบเดือนแล้วอาจารย์ไดคี่หกค่ะเบแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะคนนี้ร้องไห้คิดถึงมาที่อยู่ที่ญี่ปุ่นร้อง ค่ะพระอาจารย์มากั บ, บพระขอพลังสู้ต่ออาทิตย์หน้าค่ะสติมีสติก็เยอะเลยสติถ้ามีสติก็ควบคุมใจได้นะค่ะอยากก่าปล่อยให้ใจถูกอารมณ์ครอบองงตอวมีอารมต้องสติพุทโธพุทโธเดินกลับมาค่ะนะเมื่อตอนที่นั่งเครื่องบินค่ะกลับมาจากญี่ปุ่นครั้งนี้ค่ะพระอาจารย์เกือบสองชั่วโมงมันมัน มันเทเบิลไลน์มันตกหลุมอากาศตลอดเหมือนเหมือนนั่งอยู่บนรถที่วิ่งบนทางลูกลังอะค่ะพระอาจารย์อก็แบบเลทดสอบตีใจเป็นข้อสอบทดสอบจตีใจกลางนอนค่ะที่เป็นชมแสก็คิดว่าอ๋อความการกลัวความตายมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือนั่งคิดกัใจค่ะแล้วมันหวิวหวิวแล้วก็แบบอ๋อถ้าเราจะตายจริงๆมันคงอาการอย่างนี้มั้งเนาะก็เลยแบบ นั่งสวดมนต์ไปตลอดสองชั่วโมงเลยค่ะพระอาจารย์เอส่วนมนต์ยังไม่พอต้องปลงให้ใจตายก็ตายว่าดับตาเลยอย่างนี้มีมีบางช่วงขณะก็บอาปล่อยมันละช่างมันมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยแต่มันก็แบบมันหวิวมันมันเหมือนกับใจมันหวิวเองอะค่ะพระอาจารย์มันไม่ยอมปล่อยมันยังไม่ยอมปล่อยถ้าปล่อยแล้วใจมันจะเย็นจะสงบจะสบาย อืมไอ้ที่มันหวิวนี่คืออาการของเราที่เรายังยึดติดกับร่างกายยังใช่ค่ะอจริงๆถ้ามันปล่อยจริงจริงแล้วมันโล่งมันโล่งหโล่งใจเลยเดี๋ยวไว้ตกรงอาการทางหน้าจะลองลองทดสอบใหม่ค่ะพระอาจารย์ว่ากลัวกลัวตายจริงหรือเปล่าหรือไม่กลัวอค่ะโอเคนะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์อ่าดค่ะ น้อทีมกับคุณแม่ผลกลับมาแล้วเหรอเป็นไงนั่งเครื่องกลับมามีอะไรเหตุการณ์อะไรไหมกลับมาสทศกาลขบพรจันท์กลับมาแล้วค่ะกลับมาล้คกลมาได้โอครับเดยไม่ชอบไหมที่ไปมาที่นี่ครับเด่์คือลูเมตนะครับไม่ค่อยชอบน่าอะไรไแล้วทํำยังไงนะก็ก็เลยต้องเอพยายามที่จะฝึกสติโดยการบททวนกับเขาอ่ะครับดี S <S <S ต้องต้องแผยเมตตาต้องหันแผยเมตตาต้อต้อ ง, องให้ความสุขกับเขาต้องดีกับเขาอย่ า, ยาไปตำเกลียดเขาเห็นไหมมามมเหมือนที่มาบอกให้เมตตาไปอะไรอย่างเงี้ยถึงต้องเมตตาน้องนะรู้เปล่าค<ะ>่ะอย่าไปเกลียดเขานะเข้าใจไหมคะ พออพดีไปเจอรูเมดเป็นน้องน้องเล็กๆอะค่ะเขาก็แบบเหมือนทําอะไรคือเขายังเด็กอะค่ะก็เขาก็เลยแบบเหมือนไม่ค่อยชอบแบบเพราะน้องเหมือนด้วยความเขาเป็นเด็กอ่ะค่ะก็โทรมาบ่นทุกวันก็เลยบอกว่าเออให้เมตาน้องเขาไปหน่ะลูกเหมือนเพราะว่าน้องเขายังเด็กอยู่เขาไม่รู้อ่ะลูกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามอาจารย์าะว่ ต้องพยายามแบบคึบมากอะค่ะด oh ้วยตลอดเดี๋ยวเราฝึกจิตใจถ้าอยู่บ้านอยู่ก็ไม่ได้เจอของเรานี้เราก็อยู่ข้านอกบ้างใช่ไหมค่ะเใช่ไหมเราต้องผันอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างกับทุกคนให้ได้นะอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ให้ได้อยู่ยังมีความสุขครับเข้าใจค่ะจะได้รู้ไง ว่าไปอยู่จะเขาจะได้รู้ว่าไปข้างนอกแบบเป็นคนหลากหลายนะคะคือเขาก็เขาก็พยายามอดทนนะคะพระอาจารย์แต่ว่าคือเหมือนคืออดทนนะคะพยายามมากแต่ว่ามันก็ก็ยังต้องต้องต้องฝึกนะคะเขาจะได้รู้ว่าโลกความเปนจริงมันเป็นยังไง่ะคะคราวนี้กลับมาเขาก็รู้เลยว่ามันไม่เหมือนที่บ้านนะคะเนี่ยต้องมีสติเวลาที่เราไม่มีความสุขเราต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธ แล้วเดี๋ยวใจเราก็จะมีความสุขอยู่กับอยู่กับคนนั้นคนนี้ได้นะเข้าใจลนะครับอย่าไปย้า้เขาเหมือนพ่อแม่เรามันไม่เหมือนนะคนอื่นเขาก็เป็นเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเราเราต้องเปลี่ยนใจเราอืเข้าใจนะครับอืม มีอะไรจะมาให้เล่ามีอะไรจะมาเล่าให้ฟังว่าแบบนอก<ม>จากดูเมดนะไปผ่าจา ย, ย์ฝั่งไหนไปทําอะไรมาบ้างไปเอ่อไปเที่ยวมาครับไปเที่ยวมาเที่ยวที่ไหน ม, าม้างอะส่วนมากจะไปที่เกาะเซนโดซาค่ะนี่มีอะไรที่นันมีโอควาเลียมแล้วก็มี mm hmm. Universal แล้วก็มีห้างเยอะมากเลยครับอ๋อมีของเล่นของดูนะ อาแต่เขาไม่ค่อยได้ซื้ออะไรกลับมาหรอกค่ะพ่อจ้าก็จะซื้ออะไรก็กแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ค่อยได้ซื้อเพราะว่าส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องกินซะมากกว่าแต่ว่าของเล่ น, นไม่ได้กลับมาแต่หมูแผ่นสิงคโปร์ครับครั้งเวลาจะซื้ออะไรนึกถึงทําบุญบ้างบางเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งมาทําบุญได้ไหม อย่าไปซื้อของวันนั้นเธอทำบุญไปที่วัดไชานาเทาวครับอ่เนาะจะซื้ออะไรต้องบอกว่าขอแบ่งไปทําบุญครื่องหนึ่งได้ไหม อ, อื่าทําบุญนี่มีความสุขกว่านะอเอามาเพิ่งรู้ทำบุญที่ไชนาเทาด้วยเหรอลูกเออเหรอเออดีมากดีมากดีมากคุณพ่อคุณแม่มีอะไรไหมคุณพ่อไม่มีไม่มีคุณพ่อไม่มีค่ะแต่ว่า เขาเกิดเมื่อไหร่ที่คุณพ่อกลับมาบ้านก็อยากจะตรงกับวันที่เข้าสูงก็อยากจะให้เขาเข้ามาได้ฟังด้วยนะคะครูบอาจารย์ก็ดีครับต่างอีกรวมหนึ่งของชีวิตธรรม ะ, ะธ ร, รมะมองโลกตามความเป็นจริงไม่ได้มองไปตามความเพ้อฝันของของจิตใจนะต้องพยายามมองให้เห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่แย่งแย่แน่นอนในโลกนี้น ะ, อ, ะอย่าไปยึดอย่าไปติดอะไรมากจนเกินไป เกินปล่อยไม่ได้ต้องปล่อยได้ถึงเวลาต้องปล่อยได้ส่วนของหนูอะค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามเพียงแต่ว่าอยากจะขอพรพระอาจารย์นิดนึงคะ่ะพอดีวันศุกร์เนี้ยจะครบล่องวันเกิดแต่ว่าจะขอพรจากพระอาจารย์ว่าขอให้หนูมีความเพียรน ะ, ค, ะความเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดที่มุ่งหมายอะคะ่ะพระอาจารย์ท า, าะะั้งคำก็คิดว่าแกลงไปอีกปีหนึ่งแล้ว ใกล้ตา ย, ตายขึ้นไปปีหนึงแล้วก็ต้องรีบขยันต้องรีบขยันแล้วอประมาณไม่ได้แล้วอค่ะก็ต้องรีบเวลาไม่คอยใครอแต่ว่าเวลาเป็นเหมือนงูงูยักษ์ที่ไมันเกินสปปรรพสิ่งสปปรรพสสารไปทั้งหมดมค่อยๆกบก็ไปเท่านี้เท่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็กินเราไปหมดทั้งตัวอันนี้มันเริ่เามเอาเข้ามาส่วนส่วนหัวแล้วมันจะมากขมบมาเรื่อยๆ นังรีบแข่นกับเวลานะค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเพราะฉนี้ถ้าไม่อยากจะทุกอีกต่อไปก็ต้องรีปฏิบัติหน้กิเลสให้ได้ค่ะพระอาจารย์จะจดจำไว้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณสําหรับความเมตตาแล้วก็ความเมตตานะเจ้าค่ะย่าสาธุเจ้าคะ่ะไปที่น้องตะวันต่อวันนี้จะที่จอมาัดเขากําลังเดินทางอยู่มั้งก็ะไรไม่เข้ามา พระธรรมสังประชังครับเป็นยังไงห้ไปมาให้ไปไหนมาเอ่อเอ่อมกักก็เออลืมแล้วครับลืมอะไรครับอาทิย์ที่แลไปไหนจําไม่ได้เลยไม่ลืมแล้วครั บ, รบ ไ, ไปไหนก็ปนีนัสไปกีดเล่นกีฬามาละที่เล่นกีฬาตรงต น, นั้นตอนนั้นมีไปอะไรกีฬาหรือว่าดนตรีหนูว่าสัปดาห์ที่แล้วกับเออ เอากูมีต้องเล่นเปียโนค่ะยินดีนะโ okay. อเคคุณแมวแลวมาห้อยอู่ข้างหลังน่ากัวเดินสติแล้ว <laughs> ก <c oughs> ็มัน ก, ก็ก็ไม่ใช่ไอเดียโยมคนเดียวใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ก็คุยกันสามคนว่าคืออันเนี้ยไปซื้อออนไลน์มานะคะพระอาจารย์มันเป็นโมเดล เห็นครั้งแรกคือแบบหูอยากได้มากเลยแต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงก็เลยรอคิดแล้วคิดอีกพอดีผ่านไปสักเดือนสองเดือนเนี่ยมันยังอยากได้อยู่ค่ะผู้จารย์แล้วก็เลยตัดสินใจเอออซื้อก็ซื้อแล้วกันเพราะมันอยากได้มากเลยจ้าค่ะผู้จารย์ของดีของดีเนี่ยขอจริงงดีใช่ค่ะส่งไปให้ส <kidnapped> ่งไปให้พี่ชายที่อยู่เมืองไทยดูอ่ะเขาคิดว่าเขาเขาถามโยมว่าเอ้าที่นู่นมีมีกระโหลกมานดูให้ดูด้วยเหรอของจริงเพราะมันเหมือนของจริงมากจ้าคระผูจาร์ มันเหมือนเลยนี่จะได้มีอะไรคอยเตือนสติอยู่เรื่อยๆก็หยอกของโลมาโก้ครับของของจะชอบนะมาโกอะไรนะคะพระสารไม่มาโก้เขาควรจะชอบนะอ่อชอบค่ะชอบชอบเลยของของชอบเขาเลยอืของชอบค่ะ แต่ก็บอกเจ้าตอนว่าถ้าเพื่อนมาบ้านนะไม่ให้เล่นนะเพราะว่าตรงฐานมันจะเป็นล้อหมุนอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวมันจะเล่นแบบเขาจะไปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะจะเดือดแล้วหลุดจะแตกให้ตั้งไว้เฉยๆให้ตั้งไว้เฉยๆพอเอาไว้พิจารณาค่ะพระอาจารย์มันขนาดเท่าตัวคนเลยค่ะพระอาจารย์ประมาณร้อยแปดสิบเซนติเมตรค่ะพระอาจารย์มันก็สูงเลยสูงแค่ร้อยเจ็ดสิบเลยขนรั่งร้อยแปดสินขนาดฝรัค่ะ ขนาดพอดีคนเลยค่ะพระซานก็ถามเจ้าตะวันว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมไม่รู้เนี่ยดูไม่ออกะถ้ามีแต่กระดูกก็ดูไม่ออกแล้วแก่ยังเนี่ยที่คนเนี่ยจะกระดูกอย่างนี้แก่ป่าแก่ไม่รู้น่ะก็คือไม่รู้ค่ะพระจะนทร์คือความจริงที่มันซ่อนอยู่ข้างใต้ผิวหนังอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมีมีทั้งนทั้งตัวเราเองมองเขาแล้วก็มองกลับมาที่ตัวร่างกายเราด้วย อย่างของโยมาค่ะพระอาจารย์ตอนแรกโยก็เอ๊ะกระดูกเนี่ยอย่างอย่างอย่างอย่างโยมก็มาเอ๊ะไปดูผู้ชายอ่ะไอ้ตรงไหนมันสปาร์คเราอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์เออกระดูกไหลมันทําให้รู้สึกว่าถ้ากระดูกไหลกว้างมันแลแบบเป็นผู้ชายมีความแข็งแรงอะไรอย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์แบบช่วงไหลมันจะกว้างใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราก็มาคิดดูว่าเออถ้าเราชอบไหลเขานี่ะมันมีความเป็นผู้ชายอ่ะแสดงว่าเราก็ต้องชอบกระดูกเขาด้วยสิแล้วถ้าเลาะเนื้อออกมาอย่างนี้ยพระอาจารย์ เอากระดูกมาให้เราอะ่ะเออต้องกระดูกกว้างนะกระดูกนั้นหนานะอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความเป็นผู้ชายอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับมันไม่มีความเป็นผู้ชายที่เราไปไปมโนโไปหลงเลยค่ะพระอาจารย์อืมก็ให้มองความจรงิงอที่มันถูกซ่อนไว้ภาใต้ดุกน้ำใช่คะ่ะพระอาจารย์ใช่คะ่ะพระอาจารย์แล้วถ้าเป็นผู้หญิงเอวคอ ด, คอดๆแบบเนี้ยมันก็กระดูกก็คือกระดูกตรงตรงตรงอะไรอนะ่ะกระดูกตรงซี่โครงไปมันก็เล็กลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารยคือมันคล้ายๆกับว่าจิตมัน มันไปหมายเอาเองอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์มันไปหมายเอาเองเราไม่มองความจริงเราไม่มองความจริงที่ะยู่ถูกใต้ซ่อนถูกซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังเราพยายามใช้จินตนาการหรือชาสายภาพต่างๆดูไปก่อนให้มันจดจําไว้ในใจใช่ค่ะต่อไปเวลาเห็นหน้ากายของใครก็ต้องเล็กรถมองทะลเข้าไปเลยอืม เพราะบอกบอกจิตมันมันไม่ค่อยจะฟังมันดื้อเพราจะต้องเอาใส่ภาพคขะพไเหมือนสอนเด็กเลยค่ะพ่อจันต้องเอาภ<ห>าพปร ะ, ปะกอบให้ด้วยจพไดอจำค่ะวันน้องเจอมาน้องซันมาเนือง how are you <c oughs> เ, ธเธอ เ, อนะอเธอเกนออนะธอเกนาคตของของฉันฉันคืออดีกของเธอไม่วันหนึ่งเขาเอาโค้งกระดูกกายไว้ที่บนสามาเนี่ย แล้วก็าเขียนายบอกว่าองค์ดูปพวดกับเราว่าฉันเป็นะ ฉ, ฉันเป็นอนาคตของเธอเธอเป็นอดีตของฉันต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาอันนี้เราเป็นเราเป็นอดีตเขาของเขาเมื่อก่อนเขาเป็นเหมือนเราเอย่างี้อืม เ<จ>้าตะวันก็ตั้งชื่อให้ด้วยคอาจารย์มีชื่อหน ม, มีชื่อใช่หือเอ็ดครับชื่อเอ็ดเอ็ดนอะอืมต้องชื่ออสุภาเลยสวยงาหวานชื่ออสุภาอชื่ออะไรผมชื่ออสุภครับดไมีอะไรอย่งไงไมว้นนี้มีไหมก็คือเรื่องกระดูกค่ะพระอาจารย์บางทีเอ่อโยมเพิ่งไปเอ่อ เห็นข่าวว่าเอมีผู้หญิงเขาเขาอยากจะเอลค้อใช่ไหมคะพระอาจารย์เอลเล็กๆเขาก็ไปตัดกระดูกที่โคลงออกอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพื่อให้เอลมันมันเล็กลงเล็กลงอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อืมันมีจริงๆเจ้าค่ะเขาอยากสวยก็เอาก็ะดูกบางส่วนมาเสริมจมูกว่ามาเสริมคางบ้างได้ใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เป็นเรื่องของความหลงงมงาย กับความสวยความงานของร่างกายที่วันหนึ่งก็ต้องกลายเป็นซากศพไปก็แล้วแต่แล้วแต่กิเลสของแต่ละคนจะมากจะน้อยนะโยมก็พ ย, ย, ย, ยายามมองใช่ไหะพระสารโยมคุยกับคุณมากโก้ว่าอย่างเวลาเราเจอลูป รูปคนอย่างเงี้ยหญิงหรือชายที่เราที่เราที่เราพอใจอย่างเงี้ยค่ะว่าเวลาพิจารณาอ่าพิจารณาโดยโดยรวมหรือว่าพิจารณาแบบอจุดไหนที่เราสปาร์กอย่างเช่นว่าของโยมนี่ก็คือจะเป็นว่าอ่าผู้ชายก็ต้องสูงกว่าโยมอย่างเงี้ยโยมก็ามาพิจารณาว่าอ๋อแสดงว่าสแสดงว่าจิตมันชอบแบบกระดูกสูง ส, งสงูหรืออะไรแบบนี้ค่ะพ่อจ า, า์แล้วก็อย่างอย่างของคุณมาโกนเขาบอกว่าเออผู้หญิงจะต้องตัวเล็กกว่าเขาก็แปลว่าเขาต้องชอบกระดูกที่มันเล็กกระดูกแบบ ที่มันไม่สูงอย่างเนี้เหรอคะพระอาจารย์คือคล้ายกับว่ามันมันนให้มันเห็นโครงกระดูกก็พอแล้วไม่ต้องไปสัตว์ให้มันเห็นโครงกระดูกก็พอแล้วน้องเนี่ยในข้างในของคนทุกคนเวลาเห็นใครก็มันก็เห็นโครงกระดูกเดินไปเดินมาขึ้นรถเมล์รถไฟก็เห็นแต่โครงกระดูกเต็มไปหมดอือแค่นั้นแหละเห็นไหมเนี่ยในห้องเรานี่โครงกระดูกเต็มไปหมดเห็นหรือเปล่า มีครไม่มีโครงกระดูกว่าตอนนภาพปุ๊บเลยนเพื่นโครงกระดูมองมองเราก็เห็นโครงกระดูกของเราเห็นมองขึ้นไปเห็นโครงกระดูกของเขาขึ้นมาทันทีเจ้าค่ะอืแล้วนนถ้าอย่างอาการสาปที่สองนะคะพระอาจารย์อย่างเช่นว่าอย่างอย่างโยมนี่เห็นเอไขมันอย่างเงี้ยเอดูภาพเอที่เขาผ่าตัดศอกผ่าโศพอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์เห็นแบบ หน้าอกมันก็จะมีเป็นไขมันอย่างเงี้ยคือข้างในมันมีไขมันแล้วก็ตรงตร ง, ตรงท้องมันก็จะเป็นลำไส้คือสองส่วนเนี้ยยงจะรู้สึกว่ามันมันจะมันจะน่ารังเกียจกว่าอาวัยวะส่วนอื่นนะคะพระอาจารย์อันนี้เราก็สามารถจินตนาการอันเนี้ยเข้าไปนอกจากกระดูกเราก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปได้ด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์เดือดส่วนที่เรารู้สึกรังเกียจนะคะพระอาจารย์ขอให้มีไว้เพื่อดับการมาราดท่าให้ได้น้าเราเป็นเกิดขึ้นมาส่วนไหนก็ได้ บางีมองวุจนละเขาก็ได้นึกถึงวุจนล ะ, ะเขาก็บางทีก็ความสวยความงามหายไปหมดเลยใช่มอมแล้วแต่แล้วอุบายก็แต่ละคนได้ทั้งนั้นก็ให้ทำให้เราจิตใจเราไม่ถูกตามเวาคาข้อบงมก็แล้วกันก ถ้าเห็นผู้ชายหรือผู้หญิงจัดด้านหลังก็พยายามมองว่าตรงนั้นมันก็จะเป็นอุจจาระมันที่มันไหลออกมาอย่างนี้พอาจารย์มันก็มีบางครั้งมันก็ก็เอามาใช้อยู่แล้วแต่เ <c oughs> นี่ยแต่ว่าเอามาใช้ตอนพิดเวลามันก็ไม่เกิดประโยชน์ตอนที่ไม่มีการมมาลาคา่ะมาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์เลย <c oughs> มันต้องมาใช้ตอนที่เกิดการมมาลาคะขึ้นมาแล้วดูที่รดับมันได้หรือเปล่าคือเราชอบรูปร่างเขาอย่างเงี้ยเขาพระอาจารย์บางทีเดินไปข้างนอกอนี้อ้าวคนนี้เออสวยจังหรอจังก็ พสติทานมันก็เอาตรงนั้นเข้ามาแก้กันแบบนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ถ้าพอเห็ว่าส่วนงานมันก็ต้องมีมีส่วนที่มันต้องมามามาลบล้างมันได้ได้ค่ะอย่างบางทีเห็นคนเห็นเห็นเห็นคนจูงหมาเจ้าค่ะพระอาจารย์เอ๊ะมองไปไม่ได้สมที่คนนะเห็นหมาทัวนี้มันน่ารักจังเลยแล้วก็บางทีสติมันมาเอ้ากําลังพอใจหมามันน่ารักก็เลย ลองกําหนดให้หมากับคนน่ะมันตายลงแล้วก็ให้มันเน่าก็คือว่าอ้ามันก็หมากับคนมันก็ทุเรศพอกันอย่างนี้เจ้าขาพระอาจารย์โยมก็พยายามฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเจ้าขาพระอาจารย์ออแล้วก็คือไม่อยากมองแล้วอืมให้เราอย่าไปมองว่ามันสวยงามก็แล้วันเจ้าขาอืมให้มันเห็นว่ามันไม่สวยงามอสุภาพเอาว่าสุภาพแปลว่าสวยงามอสุภาพแปลว่าไม่สวยงามอํามองเห็นุความ ไม่สวยงามการมาราค่าก็เกิดไม่เกิดขึ้นมาเจ้าข้าพเจ้าต้องอาศัยภาพจริงๆเจ้าข่าพเจ้าเพราะบางทีบอกเดียวมันมันมันมันเป็นทฤษฎีมันเป็นทฤษฎีมันไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วใจมันไม่ยอมรับมันต้องทํา่อยๆทำไมก่อนถ้าต้องมาเยี่ยมป่าช้ากันไงทําไมก่อนศพเขาจะไม่แล้วไปเผาหรือฝังก็จะเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้มันเน่าเปื่อยเนื้อต่เศษกระดูกพวกกระดูก ผ้าไปเก็บผ้ามาบางสกุลเนี่ยผ้ามาทําผ้าจีวังก็จะได้เห็น เ, เห็นซากศพจะได้ป่งเวทโปร่งสังเวทอ่ต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้นะมันจะได้ทำให้เราแล้วทุกคนที่เรารู้จักนี่ก็มีต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นขณะที่เขาอยู่เขาก็มีของเหล่านี้อยู่ในตัวเขาเราเพียงแต่มองไม่เห็นได้เรื่องเราไม่มองมันได้ <c oughs> ต้องมองให้มันร่างกายให้หมองให้มันครบทุกมิติแล้วมันจะได้จะได้ไม่หลงไม่เที่ยงเราเกิดจ็บเจ็บได้ก็ไม่เที่ยงไม่สวยงามก็อาการ 32, สามสิบสองนื้อซากศพไม่มีตัวตนก็เป็นแค่ดินน้ําลงไปเป็นแค่อาการสามสิบสองไม่มีเราไม่มีเราอยู่ในร่างกายนี้เลยแม้แต่แต่เจ็บนิดหนึ่งก็ไม่มี มีแต่อาการต่างๆมันจะได้ไม่ยึดไม่ติดเวลาร่างกายมันจะตายเราจะได้ไม่กลัวเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเดอยวเราเป็นเพียงแต่ผู้มาใช้ร่างกา ย, <c oughs> ยาการพิจรารณาร่างกายมีหลายมิติอ น, นิยจางไม่เที่ยงไม่เดียร์อานันต์ตาไม่มีตัวตนอสุภาพไม่สวยไม่งาม ทุกก็เราไปยืดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราถ้าปล่อยวางได้มันไม่ใช่ตัวเราของเราก็เราก็จะไม่ทุกข์กับมันต้องทาบ่อยๆทาจะต้องมันเป็นนิสัยติดเป็นนิสัยเห็นเจ้าตะวันทีไรก็เห็นเห็นโคงกระดูกเจ้าตะวันก่อนเนะี่ะ <c oughs> แต่บางทีมันก็มีแวบขึ้นมาแบบเห็นแล้วมันก็สั่งเวบขึ้นมาแบบมันจะเป็นมันไม่บ่อยแต่มันก็มันก็พอมีเข้ามาบ้างอย่างเงี้ยครูอาจารย์ก็ก็โอเคก็ฝึกไปเรื่อยๆมันก็อย่างน้อยมันก็เป็นทําให้เราเกิดกําลังใจขึ้นมาว่าอย่างน้อยมันมันมันมันมันนัดไปก็เป็นช่วงที่เราลดความหนุนได้เป็นช่วงที่เรารับความความหนุนได้มันก็การความรู้สึกขึ้นมาใช่ค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดได้หน่อยใช่ใช่มันมันมัน มันมันมันมันมันแวบมันแวบขึ้นมาเจ้าพระอาจารย์นี่ต้องให้มันแวบบ่อยๆให้มันแวบต่อเนื่องให้มันแวบตลอดเวลาแต่ว่ายงก็มาคับให้มันไม่ให้มันแวบไม่ได้เป็นของมันเองแต่ว่าก็แต่ว่ารู้ว่ามันแวบที่หนึ่งมันก็ฝากเข้าไปในจิตอย่างเนี้เจ้าพอาจารย์อทำนักบ่อยๆพี่นาบ่อยๆมันทําสูตรคูณเ่อ้ไปเรื่อยๆแต่วมันก็จะจําได้อืม อย่างอย่างวันนี้ไปข้างนอกเงี้ยบางทีก็ปกติก็ไม่ค่อยได้มองใครอย่างเงี้ยครับอาจารย์ทําเดินไปอ่าไปซื้อของก็สนใจแต่ว่าเอาจะไปซื้อของแต่บางทีก็ทดสอบตัวเองเหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์เราไปปุ๊บอ่าไปไปเลด้าไปส่องดูอา่าชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยฝึกเอาอย่างเงี้ยเพราะาถ้าอยู่บ้านมันจะไม่ค่อยได้ได้ได้ไปฝึกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm. แต่ไม่ได้ทํำบ่อย <laughs> เดี๋ยวกิเลสมันจะมันจะหลอกให้ไปทํา <laughs> ก็ทำไปเพราะเรามีเหตุผลนอกนอกบ้านแล้วเราออกไปก็ใช่เฉพาะเฉพาะตอนออกไปแล้วก็ให้มันเกิดประโยชน์กับเราทางด้านปัญญามองมองร่างกายในมิตรในรูปแบบใหม่ในมิติใหม่เรามองแต่สวยแต่งามเราพยายามมันมองว่าไม่ไ ม, มีไม่มีร่างกายของใครสวยเลยงามเลยเดี๋ยวค่ะพระเจ้า เราเห็นว่า ส, สวยวได้เห็นว่าสวยว่าง า, งว า, งา น, นว่าหลงว่าแสดงว่าหลงใช่ไหมมันสวยยังไงกันสามที่สองันไม่เห็นกันแน่นเลยโดนกิเลสมันหลอกโดนกิเลสมันหลอกใช่ค่ะพระชานเอี่ยมันถึงพายเรามาพายเรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆองนี้ตัวนี้ตัวการมัหลอใ ค่ะพรอาจารย์ก็คิดว่าอยู่เท่านี้ก่อนเจาาาน้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์มากจ้าค่ะก็ระวังเดี๋ยวพิจารณาบ้างเดี๋ยวอ่านจะต้องหย่าล้างกับแฟนก็ได้ค่ะไม่ไม่อย่าแล้วค่ะพระอาจารย์เขาก็ไฟเขียวเขาก็ไฟเขียวเขาก็เขาก็ปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ดูก็นรอบไปใครใครจะขอยาก่อนกันจะขอหย่าก่อนกันแต่ขอยาไปแล้วต้องยาไปบวชต้องขอยาไปบวชนะไม่ใช่ขอยาไปมีแฟนใหม่ ขอหย่าไปมีหนูเออึงขออย่าไปมีแฟนใหม่แสดงว่าหลงนะแต่ถ้าขอหย่าเพื่มไปบวชนี่โอเคโดยความคิดนั้นมันมีแล้วก็จะขาดข้จะตอนนั้นมันมีตอนนี้มันมันไม่มีอ่ะแต่ก็แต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่มีขึ้นมาอืมน้องปู่พรมเด็กน้องปู่ม่านท่านก็ท่านก็มีสามีกับภรรยาคู่กันปฏิบัติธรรมพร้อมกันพอถึงเวลาก็ออกบวชพร้อมกันไปเลย สามีก็ไปเป็นพระหมณภรรยาก็ไปเป็นแม่ชีต้องอยากแบบนี้ถึงฮะถึงจะถูกใช่ค่ะแต่อ<ต>ันนั้นคือท่านถ้าความต้องการของท่านหมดพร้อมกันใช่มั้คะพระอาจารย์เอท่านพร้อมที่จะไปบวช ด, ด้วยกันน้องครูพร้อมด้วยกันอืมอาจารย์ยังไม่กรรมราค่าอาจจะยังไม่หมดแต่มันเห็นส่วนใหญ่แล้วว่ามันไม่มีความสวยางามอืมอืม เจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคนะเ<า>นี่ยเ <จะ S 1> ป็นกรรมฐานที่<า>ดีมากถ้าใจสามารถพิจารณาร่างกายได้นี่นต้องมีสติมีปัญญาพอสมครวรเจ้าขพระอาจารย์มันก็ชอบคิดคิดว่ามันตรงกับทางนี้เจ้าขาพระอาจารย์มันมันตรงกับทางนี้แล้ว แ, แล้มันรู้สึกถ้าคนไม่ถูกเจริญนี่ยังพิจารณาไม่ได้พิจารณความตายแล้วสร้างสมเนี้จะเป็นลมหนึ่งก็นิสัยโยมมันโหดโหดมันก็จะชอบเนี่ยหนี้วากายอะไรอย่างนี้มันก็จะชอบ ดีทำได้กันอีคนที่ยังทำไม่ได้ก็แสดงว่าสติยังอ่อนอยู่ต้องพยายามฝึกสติให้มีรูเบคามากขึ้นมาเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคนะค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจาคุณพบคุณทอบคุณทัณทจนนอมกราบนมัมการพระอาจารย์ครับ ็นยังไงมีอะไระไหมพาคุณแม่มากาบพาอาจารย์ครับอ่าด้อะไรแม่เคยมาวัดหรือเปล่าไปค่ะเปมาที่วัดยานหรือเปล่าไม่เคยใช่นะ ไปค่ะอ๋อไปมาเนี่โอเคปฏิบัตินะภาวนาพุทโธนั่งสมาธินะครับผมโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะครับขอบพระคุณครอาจารย์ครับอ่าไปเรื่อคุณทิสติมาการจัดการค่ะภาอาจารย์ยังไม่กล้าหน้าไปไหนเลยนะยังยืน อ ย, อยู่ที่เดิมเลม อ, อยู่ที่เดิมค่ะพรอาจารย์ยังอยู่ที่เดียมแต่ว่าก็ปฏิบัติทุกวันมันเดิมค่ะโอเคเวลา <c oughs> เวลาไม่เหมือนเดิมนะเวลาน้อยลงไปได้วยมนะแ่ะอาจารย์จะรีบปฏิบัติค่ะโอเคอาจารย์แข็ง ไ, ไรนะคะยมเยงวิรัยพรข่าวนักการภจา a r เจ้าค่ะ มันยังไงมีอะไรไหมอ่าไม่มีอะไรอะค่ะเมื่อเช้าก็นั่งสมาธิดีเจ้าค่ะพระอาจารย์นั่งได้สองชั่วโมงแล้วก็เงียบสงบแล้วก็ลมหายก็ว่างอยู่อย่างนั้นก็สงบอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วพอสองชั่วโมงไปแล้วลุกขึ้นมาก็ไม่เจ็บปวดไปเอยคะ่ะไม่เหน็ดไม่อะไรเลยค่ะพระอาจารย์เมืม่อเช้าดีเจ้าค่ะอ้าจิตสงบแล้วมันจะไม่ค่อยมีผลกระทบก่อร่างกายเนทะ่าไหร่ใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะปฏิบัติอยู่ค่ะอสาธุคุณสาธกาใจน่ายังไม่ได้เปิดไมโครโฟนเลยปิดฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติค่ะโอเคสาธุพร อ, อาจารย์พรหมวไลกวอมนุ่คเนเตือนไม่ยัม กับนวัต ก, การพระอาจารย์ค่ะมาแล้วค่ะกับนวัสการพระอาจารย์ครับง่ายแข็งแรงเนี่ยกำลังกายทุกเออดีขึ้นทุกทุกวันนะแข็งแรงนะครับยังไปดีครับคุณหมออยู่อเป่าไปฮะอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่เล่นได้สิบแปดหลุมทุกทุกทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาเล่นแค่สิบสี่ไปไม่ไหว หมดหมดลมก็ดีดีครับใส่รับพลังจากพระอาจารย์ได้ไปสักบานร ไ, ได้ของอาจารย์เมื่อสองวันก่อนเพื่อนเพื่อนก็มานี่เคยมาใส่บาตรอ๋อค่ะค่ะใช่ใช่เนสอครอบครัว ค, าค่าใช่ไปมว่วันวนเสาร์ค่ะได้ได้คุยกันเป็นเพื่อนทางธรรม เ, เพื่อนทางธรรมที่ร่วมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกันก็เรียนเรียนนังสือมาที่เดียวกันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คมาตั้งแต่ห้าขวบค่ะจนถึงวันนี้คาะต้องมาเจอกันช่วงหลังค่ะที่มา ม, มาทางธรรมได้ได้เยอะขึ้นก็จะคุยกันรู้เรื่องกันสองคนคือคุยกับคนดึงก็พบว่าลำบากก็แบบต้องเราสองคน พูดกันได้สนุกบางทีเขาก็มาบ้านค่ะมาสนทนาทํากันยังก็เหมือนเหมือนพวกคนตีเก้า่ะคนตีเก้าก็เจอกันก็คุยเรื่องตีเก้ากันชอบอะไรเหือเหมือนกันค่ะแล้วก็พอคุยกับคนอื่นก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่คุยไปเพื่อนมากันที่บ้านสิบคนอะไรเงี้ยก็คุยกันไม่ได้ต้องอยู่กันสองคนคุยกันได้ก็ปฏิบัติกันอยู่ค่ะก็เลยคุยกันรู้เรื่อง วันนี้ไม่มีคําถามค่ะพยายามรักษาใจให้มีแต่ความสุขกันแล้วกันนะไม่ต้องไปเครียดเกับอะไรค่ะขอบคุณกคุณจ่มมากค่ะยันทัดกันแข็งแรงนะคะคุณหมอภพทยาสนาก่อนธรรมสการค่ะพระอาจารย์เรายังปฏิบัติไกแล้วยังสงบสบายอยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะปฏิบัติตลอดนะคะพระอาจารย์ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวันพระเดือนนี้มีวันพระเป็นวันธรรมดาค่ะแล้วแล้วก็อาทิตย์หน้าเอจะต้องไปส่งตัวอีกรอบหนึ่งก็น่าจะไปดูวัดด้วยค่ะที่กราบเรียนพระอาจารย์ไว้ค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ลงบ้านนะพรุ่งนี้เป็นวันวันแรงงานพรุ่งนี้วันแรงงานอ้าววันพระวันพ้อเสียเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์น้องอ๋อไม่เป็นไรอย่างไปพรุ่งนี้แทนไปพรุ่งนี้แทนว่าจ้าเป็นวันพระพรุ่งนี้แทน เขาสงสัยดูนี่วันแสดงถ้าเป็นวันแสดงทำอยู่ค่ะเพราะกะจะไปวันพระถ้าเป็นวันธรรมดาแต่ครนี้อ๋อถ้าเป็นเสาร์ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปต้องพาลูกไปสุนโรงเพราะจะไปดูวัดด้วยค่ะพระอาการย์ค่ะเพื่อจะได้ไปอยู่ได้ข่าวมาได้เรียนมั่งใจพวกพวกนี้ไม่ใช่เป็นวันพระมันี่เป็นวันใสัยดูค่ะต้องขอประธานอภัยไม่รอบข้อค่ะเพราะว่าดูสงสัยมันอาจจะตัวเล็กค่ะเป็นเมดอะไรไม่ ขออนุญสลับวันเลยกันนะครับอาจารย์เพราะเดือนที่แล้วหหวันพระมันเป็นวันเสาร์ที่คนเลยมันพระก็คือวันหยุดวันที่เราปฏิบัติธรรมวันนั่นก็เป็นวันพระงานทุกวันเอาวันไหนก็เป็นแลแต่ละก็เป็นวันพระทุกวันค่ะเป็นวันพระทุกวันที่ปฏิบัติแต่ว่าไปเจอพระอาจารย์ด้วยค่ะจะได้ได้ทําุญด้วยก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์ก็ปฏิบัติตลอดมาดูไปที่คนคนณแดงุดรนทาดีเป็น น้องกราบนมัสการเจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคไปดูคนแปน้นตอแต่วั น, นจี้แต่งงานคนน่าจะไม่เยอะพี่เพรไม่ใช่ราชการอ่าหมอเปิดไมคก่อนเนี่หมอโอเคน้องกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เรียกชื่อแป้นลูกก็เอมีแป้นด้วยเหรอหรือแป๋มลูกก็ร้อยแ <c oughs> ป๋มเจ้าค่ะอ เด็ดกที่ไปฝากเด็กที่ไปสมัครเขาไม่ได้รับใช่ไหมเด็กในข่าวไม่ได้รับค่ะเขาเขาเต็มแล้วเจ้าค่ะแล้วรอรอเออเด็กไปครบหรือเปล่าถ้าไม่ครบเขาจะติดต่อมาเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะอยากให้หลานได้มาเรียนเจ้าค่ะถ้าลูกอบอกว้ปีนึงอันนี้ลูกขอปรึกษาพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถ้าถ้าลูกดอกเขาไว้ปีหนึ่งที่ให้เขามาอยู่กับลูกลูกได้ดูแลใกล้ชิดเขาแล้วปีหน้าค่อยให้ไปเรียนดีไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็แล้วแต่แล้วแต่ความเหมาะสมลูกว่าถ้าถ้าทําอย่างนี้แล้วก็ไปฝากถ้าถึงเวลาที่โรงเรียนผู้รู้เปิดรับสมัครลูกจะพาเขาไปสมัครเลยเจ้าคะลูกคิดอย่างนี้ดีไหมเจ้าคะลูก คือถ้าได้ยินที่กูกับกูเข้ามาเขาบอกว่าโรงเรียนนี้เขาจะต้องรับเด็กที่เป็นเกิดปีเดียวกันแล้วต้องเป็นเด็กที่จบจากป .6 จะขึ้นม .1 เน้นถ้ามันบางที่มันไม่อยู่ในเกณฑ์นี้เขาก็รับไม่ได้เพราะมีมกฎกระทรวงอะไรบางอย่างที่เขาที่ที่เขาจะต้องทําตามคือต้องเป็นเด็กจบป .6 แล้วก็มีอายุเกิดปีปีนั้นปีนี้ ถ้าถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์นี้เ ข, ขเขาก็บอกเ้าก็รับไม่ได้เจ้าค่ะหลังก็เลยไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมีกฎมีเกณฑ์อย่างนี้แล้วเราจบจบป .6 แล้วเรา drop แล้วเราไม่เรียนแล้วค่อยม า, ปาไปน่าไปเรียนเขาอาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ของเรแล้วก็ได้เจ้าค่ะดีแล้วที่ที่ตัดสินใจได้ได้ถามพระอาจารย์ก่อนเจ้าค่ะอืม ก็ถ้าอย่างนั้นลูกก็คงต้องหาโรงเรียนแถวนี้ให้เขาเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ลูกว่าจะไปรับเข้ามาดูแลเจ้าค่ะก็ดีตรงครอบคนเจ้าค่ะเขาไม่มีพ่อแม่แล้วแบบนี้พ่อแม่พ่อไปทางแม่ไปทางเจ้าค่ะลูกแม่จรงลูกไม่ก็ไม่มีก็ไม่มีใครดูแลเจ้าค่ะแล้ว พอแม่ก็เป็นยากกับเราหรือเปล่าคะแ่เหรอเป็นแม่ก็เป็นลูกสาวของลูกเจ้าค่ะอ่าอืมมันแตกสลาขาดเนาะเจ้าค่ะอืมแต่ว่าลูกก็ไม่แน่ใจก็เลยอยากถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าอสิ่งที่ลูกเจอเนี่ยลูกไม่ลูกรู้สึกเฉยเฉยเจ้าค่ะแม่ไม่ทุกเจ้าค่ะลูกก็เลยไม่แน่ใจว่าลูกชาทําใจยอมรับความจริงได้หรือว่าลูกมีอุเบกขาเจ้าค่ะ ก็เหมือนกันนะถ้าไม่รู้ก็แต่ว่ายอมรับความจริงได้เป็นอุเบกามเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไปเป็นเรื่องกรรมของสัตว์ไปเขาทำกมันใดมาเขาก็ต้องรับผลของกรรมนั้นไปเราส่งข้อเขาได้เราส่ง ข, ข้อ เ, เขาไปตามกําลังของเราเจ้าค่ะจะว่าเขาก็สมัครเรียนไว้สมัครเรียนที่โรงเรียนมัธยมนอกไว้แล้วจ้ะคะที่ต่างจังหวัดเจ้าค่ะอืม แต่ว่าลูกก็ว่าเขาไม่มีคนดูแลลูกเลยว่าจะพาเขามามาหาโรงเรียนที่นี่เจ้าค่ะแล้วเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเขาอยู่กับใครเน่ยไม่มีเพราะไม่มีพี่น้องไม่มีย่าเนี่้เขาอยู่กับอ่ะย่าซึ่งซึ่งไม่ใช่ย่าที่แท้ค่ะเป็นย่าของอเป็นแม่ของพ่อเลี้ยงเขาอะค่ะอแล้วตอนนี้เจ้าค่ะลูกก็เลยว่าถ้าลูก เอามาดูแลเขาเอามาดูแลก็น่าจะดีกว่าเจ้าค่ะอยู่ที่เขาเขายินดีด้วยหรือเปล่าลูกก็คุยกับเขาเขาก็ไม่อยากมาเจ้าค่ะแต่ลูกบอกว่าลูกต้องอใ ห, ให้เขายอมรับความจริงว่าเรื่องมันมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วคือถ้าอยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติอนาคตก็ไม่แน่นอนอะไรนี้อย่างเนี้เจ้าค่ะลูกก็เลยบอกว่าลูกตอนนี้ลูกก็พร้อมที่จะดูแลเขาให้ให้ให้ให ให้ยายดูแลเขาไหมลูกก็พูดกับเขาแบบนี้ใช่ป่ะตแต่ว่าเจ้าค่ะแต่ว่าลูกเขาบอกว่าเดี๋ยวขอคิดดู ก, ก่อนเขาเขาพูดอย่างนี้จ้าค่ะลูกก็เลยพยายามโน้มน้าวเขาเจ้าค่ะอก็ทําเท่าที่เราทําได้ <c oughs> ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางไปเจ้าค่ะเอย่ามาทุกข์ด้วยกันเอย่ามาอยู่แล้วกันก็นเกิดแล้วก็ไม่พอใจเราเราก็ เดี๋ยวเราก็จะต้องลำบากากับเขาเองแล้วก็ไม่ยิน<ะ>ดีมาเจ้าค่ะลูกก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเจ้าค่ะกลั ว, วเขามาทำไปชดไปชันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าถ้าบังคับเขามาเจ้าค่ะออยู่ดีๆเราก็จะไปหาเขามาใส่หัวเลยนอกจากมันหาเราเอง <c oughs> ก็เข่าใจไหมเจ้าค่ะ ลูกมีมเมตเรามีความกัลยาณ์แต่ถ้าเขาไม่ยินดีที่จะรับก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยวางไปให้มาอยู่มาม า, ม า, มาแบบยินดีดีกว่ามามาแบบอยากจะมาแนละ้วมันจะได้ไม่มีปัญหาเหมือนใช่ค่ะลูกก็คิดอย่างนั้นเหมือน ก, กันจักขามบางทีบางที่ลูกคิดคิ ด, ค, ดคิดไปแล้วนึกถึงคําพระอาจารย์ที่เคยบอกว่าไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคิดอะไรลูกก็นึกถึงคาพูดของพระอาจารย์คํานี้ลูกก็ หยุดคิดได้เจ้าคะ่ะลูกก็ยอมรับไปว่าแล้วแต่จะเป็นยังไงก็ปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตาเหตุตามปัจจัยตามกรรมตามบ้นของใครของเขาของเขาของเราด้วยบางทีอนยังไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะต้องมาดูแลเขาก็ได้หรือาอาจจะเป็นก็ได้กด็ูดูดูเห็นดูปัจจัยไปก็แล้วกันเจ้าค่ะอย่าไปฝืนธรรมชาติให้มันเป็นไปตามความเป็นจริง ถ้าเขาจะมาก็มาถ้าเขาไม่มาก็ไม่มาเราต้องสนโดดเราต้ยินดีทั้งสองอย่างมาก็ได้ไม่มาก็ได้ไม่บังคับใจกันนะเจ้าค่ะอันนี้มีเท่านี้เจ้าค่ะโอเคอขอบคุณอาจารย์เจ้าค่ะอ่าคุณอาจารย์สุพัฒตาเน้อาจารย์ได้อย่างนี้นเดือนพรุ่นี้เลยใช่ไหมวันที่หนึ่ง อยากนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะทำไมจะขอพรพระอาจารย์พอดีอะไรเริ่มวันนี้ไปทํางานวันแรกเจ้าค่ะเมตตาใช้ความเมตตากับเด็กๆกับนักเรียนออให้ความเมตตาให้วิทยาทานโยนํ า, ามาให้ทานทําบุญทําทานกับเด็ก <c oughs> ไม่ไปยัดเยีย่ยม <c oughs> ไม่ไปบังคับเขาอืม แล้วค่ะแล้วข้อข้อคติธรรมข้อคิดสําหรับการดําเนินงานกับผู้อื่นเจ้าค่ะก็เมตตาแบบอย่างยวกันทุกคนพอเราเข้าเกี่ยวข้องกับคนแล้วก็ใช้พรหมไม้หารสีถ้าไม่เมตตาก็ต้องการนาถ้าเขาเดือดร้อนถะาขาดความช่วเหลือก็ให้คำไม่กรนน้าไปถ้าเขาได้ดีได้ดีก็ชื่นชมยินดีไปกับคำเมตตา ถ้าเขาเป็นอะไรแล้วเราช่วยเขาไม่ได้ก็ต้องวางใฉยอุบเบกขาไปโอเคถ้าเขากดเกียดเราไม่ชอบเราก็เราก็ต้องวางอุบเบกขาไปถ้าเราถ้าเรายื่นเออให้เขาแล้วเขาไม่รับก็ต้องก็ต้องหยืดน้ก็ไม่ยินดีที่จะครบค้าสมาคมกับเราก็วางควมเป็นใจเป็นอุบเบกขาไป อย่าไปเสียใจอย่าไปโกรธเขา้าะมันเป็นเป็นธรรมชาติของท้อที่จะเป็นอย่างนี้มันต้องมีคนที่ชอบเราคนที่ไม่ชอบเราคนที่เฉยเฉยกับเราเวลเข้าสังคมมันก็มีอย่างนี้เ้าก็เอาเมตคาแล้วก็วางเฉยไว้ถ้าแผ่เมตตาได้ก็ให้ความเมตตาได้ก็ให้ความเมตตาทักทายเอาไปถ้าเขาเดือดร้อนพอเวลาจะช่วยเลยก็ได้ก็ช่วยเลยเข้าไป เจ้าค่ะเจ้าค่ะเรจะน้อมนำคำสอนของพระอาจารย์ไป็นท ำ, ท, ทำให้คนที่ในสังคมอยู่ด้วยกันอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเนะมตตาธรรมคำจุนนอกเนะจ้าค่ะเ<ม>จ้า<ก>ค<ำ>่ะไม่กเกียดกันไ ม, ไม่ไม่กดเกียดกันไม่าาอาคาตพยาบาทให้อภัยกัน ช่วยเหลือกันถ้าทําไม่ได้ก็ถ้ายังไงก็สุดท้ายก็คือที่อุเปกขาพระอาจารย์บอกว่าให้เห็นทุกคนเหมือนดินฟ้าอากาศอืใช่ไหมเจ้าค่ะดินฟ้าอากาศมีภายใต้กดแห่งกรรมไปเราจะดีจะชื่อก็ก็เป็นเรื่องของกดแห่งกรรมของเข้าไปแล้าค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะรูปน้องนำจักใจเจ้าค่ะสาธุค่ะไปที่คุณแอนต่อเป็นไงคุณแอนอยู่กับคนเยอะๆทํางานรู้สึกยังไงว่า ลำบากหมแล้วใหม่ไหชินนะก็ชินแล้วเจ้าค่ะแต่ก็ก็แล้วแต่วันด้วยเจ้าค่ะบางวันเจอเจอหนักหน่อยก็ก็เครียดเหมือนกันเจ้าค่ะพูดโดยสารเล็ไปๆพูดโดยสารกั้ลูกเมียด้วยกันมีทั้งสองรื่แบบผู้โดยสารไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเพราะว่าก็เป็นหน้าที่นะเจ้าค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าที่จะที่จะกังวลก็จะเป็นกับเพื่อนร่วมงานมากกว่าเวลาเวลาวันไหน เริ่มไฟนีค่ะสิ่งสิ่งแรกที่จะคุยกับกับเพื่อนๆนคนไทยก็คือว่าวันนี้ลูกเรือญี่ปุ่นจะเป็นยังไงเนาะจะเจอทีมดีไหมหรือว่าจะเจอทีมไม่น่ารักอะไรเนี้ยค่ะคือถ้าถ้างานเหนื่อยแต่ว่าเพื่อนร่วมงานดีมันก็ทำงานสนุกค่ะยังไงมันก็มันก็ไม่น่าเบื่อแต่ถ้าเจอเพื่อนร่วมงานไม่ดีนี่งานงานไม่ลาบรื่นนะคะจิตใจมันมันมันมันทางานแล้วมันไม่มีความสุขอะค่ะ มันเพีย้ยนใช่แล้เพีย้ยนใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ก็เอาคําสอนของหลวงพ่อมาใช้ช่วยได้เยอะเจ้าค่ะก็คือเออเราก็เมตตาให้เขาก่อนเราไม่ไม่ไม่ ไ, มไมปคาดหวัง<ม>ก็ไม่ผิดหวังเ<ม>จอเขาก็ยิ้มให้เขาก่อนถ้าเขายิ้มแย้มตอบกลับก็ดีไปแต่ว่าถ้าเขาไม่ยิ้มแย้มตอบกลับแล้วก็ก็เป็น แ, แล้วไปก็เป็นถือว่าเอเค<ม>วันนี้ก็ทําทําตามหน้าที่ของเราตา่<ป>ตางคนต่งอยู่ไปใช่ค่ะ ก็ไม่ไปยุ่งกับเขาแต่ก็ก็ยังมีนิสัยไม่ค่อยดีค่ะถ้าถ้าเขาทําถ้าเขาทําไม่ดีก <g uck> ็ <ling> ยังแอบแบบไม่ไ ม, ไม่ไอ<า>เอาคืนแต่ก็ก็ทําให้เขารู้ว่าว่าอย่ามาทําเราอะไรเงี้ยค่ะ <im itation> มันก็ว่าเราก็ไม่ยอม <im itation> อนกันยังแอบมีนิสัยแบบว่าเอาชนะอยู่อะค่ะ <im itation> แต่ก็คือแค่ทําให้เขาคือมันพูดยากค่ะหลวงพ่อคือถ้าให้อธิบายอยู่กับอยู่กับคนต่างชาติกันนอะค่ะ S <S 2> <s> <S 2> เราเราเหมือนว่าท่านทำบางทีมันมันต่างกันใช่ไหะกับคนญี่ปุ่นแต่ด้วยความที่เราทํางานกับเขามานานนะคะ <S <s> <s <uss> <S มันก็จะพอมองนิสัยออกว่าถ้าทาําอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้ถ้าเขามาแนวนี้เราต้องเป็นแนวนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าต้องเอาตัวรอดด้วยอะค่ะคุณพ่อแล้วมันคือตรงนี้แต่ละครั้งนี่มีญี่ปุ่นกับไทยกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอ่าส่วนใหญ่จะคนญี่ปุ่น อ่าส่วนใหญ่ทุกไฟล์จะมีคนไทยประมาณอย่างน้อยสองคนถึงสามคนเจ้าค่ะอืแล้วก็ลูกเรือญี่ปุ่นก็จะประมาณห้าคนหกคนจะเป็นเซตประมาณอย่างเงี้ยค่ะต้องทำํำต้องทํากับอาจจะทํากับคนญี่ปุ่นกับคนไทยเป็นเขาเรียกเป็นจํานวนเท่านี้ตลอดเลยแต่รไฟล์ของเราเนี่ยถ้าไฟล์อื่นเนี่ยอาจจะมีคนชาติอื่นทำอันนี้นเป็นไทยอาจจะเป็นชาต ฟิลิปปินส์ไม่วอยไรใช่ไหไม่ว่าไม่ใช่ค่ะอย่างของถ้าถ้าอย่างสายการบินของหนูเนี่ยเขาจะมีหลักๆก็จะมีคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะเป็น <c oughs> เป็นเจ้าของอ่าเป็นเป็นสายการบินประจำชาติเขาก็จะเป็นคนญี่ปุ่นเยอะแล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นเบสของคนไทยะค่ะที่เขารับเยอะแล้วก็จะมีเบสฮ่องกงอ่าเชียงฮายกับตอนนี้เห็นว่ารับอ่าคนฟิลิปปินส์เข้ามาหน่อยหนึ่งแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะเยอะสุดถ้าลองลงมาจากญี่ปุ่นอนะคะค่ะ <c oughs> พวกหนูก็จะได้บินกับคนญี่ปุ่นหลายไฟล์แต่เบสก็จะได้นอนไม่ใช่ไหมคะว่าเราเป็นคนไทยมีไว้เพื่อคอยุูดบริการผู้โดยสารคนไทยอย่างเดียวใช่ไหมไม่เลยค่ะก็พอเขาเขารับคนไทยก็คือเราตอนตั้งแต่หนูเข้ามาใหม่ๆก็คือต้องไปเทรนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อต้องต้องบริการส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้โดยสารญี่ปุ่นหมดเลยค่ะคนไทยก็จะมีแค่ไฟล์กรุงเทพส่วนใหญ่ไม่ต้องพูดญี่ปุ่นได้ ก็ได้ค่ะพอเอาตัวรอดได้ค่ะพอทาหน้าที่ได้นะค่ะก็ยี่สิบปีแล้วค่ะหลวงพ่อก็พอจะหยุดอยู่ตัวแล้วค่ะตอนนี้รู้อยู่กับคนญี่ปุ่นมานานก็ดูทางหนีที่ไล่เขาพูดนิสัยถ้าพูดแล้วยาวค่ะหลวงพ่อแล้วมีกฎธารมเนียมของเขาญี่ปุ่นเ้าก็มีของเขาเราก็มีของเรา ใช่ค่ะก็ยังอย่างที่บอกหลวงพ่อค่ะก็คือรู้ทางหนีที่ไล่เขามายังไงเราไปยังไง<ม>เขาเราเราควรหลบหรือเราควรหลีกหรือเราควรสู้ก็ก็พอจะพอจะดูดออกอะค่ะืดแต่ก็<ม>เดี๋ยวนี้ก็พอพออย่างพอมาฟังธรรมะก็อ่าถือคติยอมไว้ก่อน<ม>อาจจะไม่หยุดแต่ว่ายอมไว้ก่อนลองลองยอ ม, มดูก่อนถ้าเขาน่ารักมาเราก็น่ารักมันก็สบายใจค่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่น่ารักมาอย่างมากก็แค่ ไม่ยุ่งกับเขาเราก็เดินหนีแล้วก็ทำงานของเราให้จบไปให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของเราไปค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะหลวงพ่อหนูก็เนี่ยค่ะก็มานั่งมานั่งฟังเพิ่งกลับมาจากซานดิเอโกค่ะมาไกลคนนี้ค่ะสี่ชั่วโมงบินตรงเลยเลยใช่ค่ะของญี่ปุ่นนี่บินตรงตลอดไม่มีไม่มีแวะทางไม่ีที่แวะค่ะสิบสองวันนี้สิบเอ็ดชั่วโมงครึ่งค่ะ เดีกลับมาเร็วหน่อยนะอู้ค่ะาข า, ขากลับช้าค่ะรอบนี้ค่ะ<ช>ไปเก้าชั่วโมงกว่าค่ะตอนไปแลนด์เมื่อวานอันนี้เป็นบินทวนลมใช่ไหมขากลับใช่ค่ะเต็มบินแบบว่าเต็มชั่วโมงบินในวันนี้ไม่ลดเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่โตเกีวยวเลยใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วค่ะอตอนแรกว่าจะไปกราบหลวงพ่อแต่เห็นเห็นเป็นวันหยุดยาวแล้วสงสัยต้องถอย เพราะว่าขับรถไปจากกรุงเทพคนน่าจะต้องเยอะแน่ๆเลยหยุดยาวค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อเดียเด๋ยวเดี๋ยวยังไงจะหาโอกาสไปกราบหลวงพ่ อ, อวันหยุดรอบหน้าแต่รอบนี้อาจจะไม่ได้ไปค่ะกราบที่นี่ก็เหมือนกันแหละกราบในสวได้กราบนะค่ะ ทีนี้นมาที่ปกติก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรกันไม่ได้คุยไม่ได้คุยแต่ก็เป็นกําลังใจเจ้าขาดได้ไปเห็นได้ไปวันตอนที่ไปก็ได้ไปนั่งสมาธิก็แอ บ, บ<ง>ดีใจค่ะรู้สึกงไงรู้สึกังไงนะที่มาถหนูก็วันนั้นไปนั่งก็ยังไม่ค่อยได้อะไรค่ะแต่ก็มีความสุขใจค่ะได้ความสุขใจค่ะอยากจะหาช็อกโกแลตไปฝากหลวงพ่ออีกเจ้าขาดแต่รอบที่แล้ว มันไม่มีเลยระยะมีระยะมีใช่ไหมเจ้าค่ะมันจะมายระส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ไปถอยพายทีนึงแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ฉันเท่าไหร่นะค่ะหนูก็อยากจะเอาหยับไปทีอาจจะกรุงเทพมันมันขับรถไปนานๆจะได้ไปสักทีก็อยากจะมีมีของไปถวายให้ที่มีได้มีประโยชน์เกิดประโยชน์กับกับหลุงพ่อแล้วก็ท่านหงพ่อได้ไปไปช่วยเอแจกจ่ายอ่ะค่ะอถ้าไปอีกคราวหน้าหนูจะอหาหาไปทีละ อีกเยอะเยอะตามสะดวกแล้วกันนะไม่ะ้องกังขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะจะปฏิบัติต่อไปเจ้ า, าค่าาะคุณปังว่าอะไรเยินยมสกัรเจ้าขะไม่มีคำถามเจ้าค่ะวันนี้หนูมาที่เกาะสีชังเจ้าค่ะ น, นั่นใช่เลยว่ามันแตกที่เจ้าค่ะ ก็รอบที่แล้วที่ไปบาหลีที่กราบเป็นพระอาจารย์ไปว่าหนูไม่ได้นอนพะารย์ถามว่านอนนอนเตียงหรือนอนพื้นอะไรเงี้ยวันนี้หนูหนูแก้ตัวเป็นนอนพื้นค่ะแล้วก็ค่ะห้องเนี้ยจริงๆเป็นห้องโอโอซึ่งเป็นห้องที่ยังไม่พร้อมขายซึ่งแอร์ทำงานไม่ได้ทีวีดูไม่ได้น้ําไม่เย็นอะไรเงี้ยปูที่นอนปูไม่เศษหนูเลยบอกว่าเอายังไงอย่างนั้นเลยพี่พี่ไม่ซีเรียสก็หนูก็มีตามมีตามเกิดค่ะแต่ว่าแอร์ ถือว่าเราทุดองมาแล้วกันเราใบทุ่ดงนะชอบค่ะดีทีดําเกิดนะค่ะเดี๋ยวกะว่าถ้าถ้าได้มาแบบเนี้ค่ะก็ก็มีโอกาสได้พัฒนาทั้งคืนินตึมที่ก็รู้สึกว่าชอบค่ะนอเคนีจ้าค่ะบคุณจคะคอ่าคุณยินดีเป็น ไ, ไงตอนนี้อยู่ที่ใหม่แล้วใช่ไหมค่ะใช่ค่ะท่านอาจารย์ก็ที่เดิมที่ใหม่ค่ะเมืองชื่ออะไรนะ พัสเบิร์กค่ะที่ค่ะพัสเบร์กนิวยอร์กค่ะท่านอาจารย์อยู่ชานเมืองจะอยู่นานพอสมควรเนี่ยก็ก็อันนี้ก็ไม่ทราบอะค่ะท่านอาจารย์ก็แล้วแต่ทางทางฝรั่งเศสอะค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ก็ก็แล้วแต่ปัจจัยอะค่ะท่านอาจารย์ก็ปกติก็จะอยู่กันประมาณสองปีใช่ไหมคะแต่ เดี๋ยวเดือนเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ค่ะถ้าอาจารย์ต้นเดือนหน้านัดที่สถานทูตไว้ค่ะ hmm. เ, เรื่องขอวีซ่าใหม่ะค่ะรอบใหม่ก็ไปขอรอบนี้แล้วก็ปกติก็ถ้าเกิดรอบนี้ก็ได้ประมาณปีครึ่งสองปีเหมือนเดิมค่ะถ้าอาจารย์ hmm. แล้วจากนันก็ก็คง ก, ก, ก็คงอยู่มั้งหรื อ, อยังไงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วเห็นเดวิดเขาก็เหมือนเมื่อคราวก่อน ก่อนนี่เขาไปทํางานที่格林วิวที่เซาเทราลีนาค่ะท่านอาจารย์แล้วเ ข, เขาจะบอกเขาบอกหนูว่าเหมือนร่ําร้องว่าคิดถึงอาจารย์นะคะบอกว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้เพราะว่าเขาจะไปหาค่ะท่านอาจารย์ <c oughs> ท่าอาจารย์แล้วก็ฝากกลับท่านอาจารย์เขาไลน์มาบอกเมื่อเช้าเนี้ค่ะบอกว่าฝากกลับท่านอาจารย์ด้วยนะแล้วก็บอยช็อตเต้เหมือนเดิมนะค่ะท่านอ้าเขาอยู่ที่格林วิวเหรอคะประชุมอยู่ค่ะท่านอาจารย์เา ไปทางลูน <Okay. S 2> เาว่าทา อ, อีกอทีมที่ฝรั่งเศสเข้ามารวมตัวกันที่กินวิวค่ะน่าจะค่ะโ <Okay. S 2> อเ <สา S 2> คชาเต้ร์ thank you ขอบคุณนะท่านอาจารย์ค่ะขอบพคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะแล้วก็ร่วมฟังธรรมในนนีทุกท่านค่ะอ่ามินิซาเจนุิ L A นิซาเอวีมินิซาได้ยินไหมค่ะ กล่าวในมัศการค่ะพาจารย์ก็ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติค่ะพอาจารย์โอเคค่ะด้เลยนะค่ะค่ะน้อตายนงตายกับคุณแม่เป็นไงได้เราสกิปสี่ได้ยังเรามารกาบพระอาจารย์เอ่อยังยังติดตั้งไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้น้องสาวทําให้พรุ่งนี้ค่ะติดตั้งก็มันสบาย เปดวิดีโอปั๊บกดปั๊บมันก็มือนก็ถอนมันทั้งวันเลยปั๊บเดียวค่ะก็พี่พี่แอดไลน์พี่ชมพู่ไปแล้วก็พี่เขาก็ส อ, อนติดตั้งแล้วก็ทําตัวอย่างให้ดูแล้วค่ะหนูก็ว่ามันสะดวกมากเลยค่ะไม่ต้อมานั่งเปิดฟังเหมือนเมื่อก่อนเลยนะก็อาจจะต้องทวนก็ก็จะ ท, นทวนทวนค่ะอีกรอบนึงเลยอ่า น, นล้จะได้อาจจะแก้ไขด้วยเพราะมันอาจจะอาจจะไม่ไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์ค่ะอาจารย์ แต่แม่ไม่น่าเชื่อเทคโนโลยีสมัยนี้มันรวดเร็วทันใจใช่ค่ะแบบเหมือนกับให้ความสะดวกมากเลยค่ะแก้แบบ<ม>แล้วคําพูดก็ไม่ไม่ค่อยผิดด้วยค่ะอืสบายนะที่ถ้าอยากจะถอนก็ถอนได้นะ้วดเลยก็จะเร็วขึ้นค่ะอาจารย์เมื่อก่อนนี้กัรนึ่งมานต้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงไหมกว่าจะเสร็จเนียเป็นวันค่ ะ, คะสองวันนะ <laughs> ในแค่วินาทีเดียวกดปั๊บมันก็ขึ้นหมเลยอยน่ากลัวนะครางมาคิดอีกที <c oughs> ต่อไปมันจะมันจะมันจะเป็นมันจะเก่งขนาดไหนก็ไม่รู้ค่ะแต่ก็ให้ความสะดวกค่ะอา <c oughs> จารย์หนูเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้น้องสาวดูให้แล้วก็เดี๋ยวจะติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะ ของโยมอของโยมจองกุดได้กุดเรือนแปดนะคะพระอาจารย์ <Okay. S 2> จะขึ้นไปวันที่สามถึงวันที่เก้าค่ะอ๋อต้งอาทิตย์นหนึงเลยนะค่ะก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองก็คือว่าจิตของเรา่ามันเย็นแล้วก็สงบแล้วความอยากได้ต่างๆมันก็น้อยลงอะ่ะอืยอย่างเวลาเราจะซื้ออะไรเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเมันมีแล้วเราจะซื้อทําไมจำเป็นไหมต้องมีไหม ค่ะแล้วก็งานที่รับปากใครเอาไว้ก็<ๆ>ก็จะพยายามทําให้เสร็จแล้วก็จะไม่รับเพิ่มขึ้นเพราะว่าจะไปจะไปปฏิบัติให้เต็มที่อะค่ะอ่ามันจะไม่เวลาสําหรับการปฏิบัติมากขึ้นค่ะบางงานก็เหมือนบางงานก็เหมือนใช้แรงค่ะใช้แรงเขาที่เขาเคยช่วยเหลือตอนที่สมัยยังยังไม่กเกษียณนะคะอืมแต่ก<ๆ>ต็ก็พยายามจะตัดตัดออกเพราะว่าไม่งั้นเปนกังวลว่าถ้าเราจองเรือนแล้ว มันจะไปตรงกับงานที่รับปากเอาไว้ที่เขาไม่ได้กําหนดวันเลยค่ะค่ะคือรวมๆแล้วก็ชีวิตมันมีความสุขมากกว่าเดิมอะคะ่ะใช่ในพงศ์ความสงบแล้วมันไม่มีอะไรดีกว่าใช่ค่ะความสงบนะแล้วลเงินทองก็บางวันก็แทบไม่ได้ใช้เลยะคะ่ะอใจ ม, ม, มันอิ่มใจมันอิ่มมันไม่หิวกับอะไรค่ะแต่หนูก็ถือถือตรงที่ว่าหนูต้องทําให้ครบทั้งทางสินภาวนาทุกวันนะคะ อ่าที่จริงที่จริงก็ได้ลูกตาเน่ยเขาช่วยเขาช่วยได้เยอะค่ะ<ม>ก็เลยทำให้อะไรอะเขาเหมือนความกังวลเรื่องการเดินหน้าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไปได้เต็มที่ค่ะอีดีใจด้วยที่ยอมเลือกทางนี้หนูหาทางมามนหนูหาทางมานานแล้วขนมไปปฏิบัติตแล้วจนกระทั่ ง, งหนูก็ท้อเขาเออแล้วมันจะไปยังไงต่อ ที่สุดมันจะไปยังไงต่อเพราะพรไปแต่ละที่แล้วมันไม่เจอทางไปอะค่ะมันได้แค่เหมือนได้แค่ฟังที่เขาเทศแล้วเราให้เรามาปฏิบัติแต่มันมันไม่ได้ก้าวหน้าอะไรไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเราที่เราเห็นชัดมันเดียวเนี้ยค่ะมันไม่ได้เจอตัวความสงบเนี่ยตัวความสงบเนี่ยตัวสําคัญค่ะอ่ยถ้าในความสงบนั้นเนี่ยมันมันได้ของจริงนะค่ะ อยมันรู้ไม่มีอะไรสำคัญได้กับความสงบค่ะแล้วมันก็มองอะไรก็ช่างช่างช่างช่างไม่มใช่เรื่องของเราแล้วก็ช่างไปเงนี้ค่ะอยู่ก้าว <c oughs> มาให้เป็นตายรักไปทั้งหมดอันนี้จากลูกาตาเนี่ยหนูก็บอกบอกลูกตาเหมือนกันว่าให้เขาเร่งเร่งปฏิบัตินะเจอพระอาจารย์แล้วเขาโชคดีสี่สิบเขาได้เจอพระอาจารย์หนูมาเจอพระอาจารย์นี่ตั้งหกสิบสามนะคะเจอพระอาจารย์มาสองปีที่มาปฏิบัติทางนี้นะคะ่ะ ก็หนูก็บอกเขาตลอดว่ามันไม่แน่นะว่าไม่ว่าเขาหรือหนูอะหนูเป็นแม่น่า จ, จะตายทีหลังเขาก็ได้หรือเข า, า จ, จะตายก่อนหนูก็หนพยายามค่ะคุยกันเรื่องอความตายทุกวันมันอาจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ค่ไม่ใช่ตายความตายอย่างเดียวค่โรคภัยไข้เจ็บมันก็อาจจะมาได้ทุกเวลาค่ะงั้นนี้ตอนนี้ทําอะไรได้ลึกทำเสียค่ะหนูก็เลยให้เขาจองให้พอดีโชคดีค่ะได้วันที่สามถึงวันที่ ที่เก้าค่ะก็จะไปกราบกราบฟังเทศที่พระอาจารย์ที่น้ากุติก่อนแล้วก็ขึ้นเขาอะค่ะออืแล้ววันวันที่เก้าก็ลงมาเพราะว่าวันที่สิบมีเรื่องทําบุญร้อวันของเพื่อนที่เคยเป็นมะเร็งที่เล่าพระอาจารย์ฟังอะค่ะออืก็ทําบุญร้อวันแล้วเขาไม่ใช่คนเมืองชนก็ไม่ค่อยมีใครรับปากเขาไปแล้วอโอเคดีมากทำไม่เต็มที่เนะค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณค่ ะ, ะคุณซันนี่ต่อ Sunny ันนี่แบงค์ข้ อ, อยังไงตอนนี้สิแบแปดครบแปดข้อแล้วนะครบอยู่ค่ะพระอาจารย์ทุกวันยัมันอยู่ทุกวันเล ย, เลยใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เลยอาหารเที่ยงแล้เอ้ยอาหารบ่ายแล้วค่ะพระอาจารย์พอดีไปกินข้าวกับคุณแม่แล้วก็เลยเพลินนิดนึง แต่ว่ามือเดียวเหมือนเดิมค่ะ <Okay. S 2> แต่เลยนิดนึงแต่เพิ่งวันนี้ค่ะวันอื่นครบท้วนบริบูวนค่ะอาจารย์ดีรู้สึกไ ง, ไงดีไหมรู้สึกดีค่ะพระอาจารย์แต่ก็คือเหมาะกับการที่ถือศินแปดอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเหมาะกับการที่เราปฏิบัติไปด้วยอะค่ะเหมือนสีลมันช่วยสนับสนุนให้เราปฏิบัติ ได้ง่ายได้ง่ายขึ้นกว่ากาันการที่เราถือสิแค่สินห้าค่ะค่ะ <c oughs> แต่ก็เวลาทำงานมันยังก็ยังต้องคิดตลอดเวงานของหนูบางทีมันต้องคิดตลอดเวลามันก็เลยยังไม่ค่อยได้สตินิ่งดีเท่าไหร่อะค่ะ <c oughs> แต่ก็มาทำหลังเลิกงานเอาค่ะ ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินพระอาจารย์พูดเรื่อง AI ก็เลยอยากฝากเตือนอกัญยาณมิตรสักหน่อยหนึ่งคะค่ะพอดีหนูไปเปิดฟังธรรมในยู u b e ช่วงเนี้ยค่ะมันจะมียูทู u ใหม่ใหม่ที่จะเป็นรวมธรรมะแล้วเขก็จะเขียนผ้าถั่วว่าธรรมะพระอาจารย์ม่านอะไรเงี้ยค่ะหนูลองเปิดเข้าไปฟังแล้วอืมมันกลายเป็นคือหนูฟังแล้วหนูรู้สึกแปลกๆว่าเหมือนไม่น่าใช่ธรรมะของทางสายปฏิบัติอะคะ่ะก็เลย ลองลองดูดูเขาก็บอกว่าอ๋ออันนี้เป็นการที่เออเอามาคําสอนเอามารวมรวมกันแล้วก็เอามาอ่านให้ฟังอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยอยากฝากเตือนว่าให้ให้ให้ใหดูดีๆ น, ดนิดนึงคือธรรมะอาจจะถูกแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ธรรมะของพระอาจารย์มั่นทั้งหมดอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะมีโมเม้นต์นิดนึงก็<ด>เผื่ อ, อให้แยกแยกกันดีๆค่ะพระอาจารย์ก็สอนในการลามั่นสูตวา่าได้ฟังได้ยินอะไรก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะ เออามาพิสูจน์ก่อนอามาแยากแยะอดูก่อนว่าจริงไม่จริงใช่ถูกไม่ถูกไม่ใช่พอเขาพูดอะไรว่าพ อ, ช อ, พอเอชื่อพอเอาปั๊บก็เชื่อเขาร้อยเปอร์เซ็นตเลยเดี๋ก็หลงทางได้นะใช่ค่ะกลัวกลัวจะเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบที่พระอาจารย์พูดว่าเอไอเดี๋ยวนี้ก็น่ากลัวพอหนูเห็นคลิปอย่างนั้นนะคะหนูก็แบโอ้หน้ากลัวจริงๆงด้วย ก็ต้องต้องระวังนิดนึงแต่ว่าส่วนที่มีประโยชน์ก็มีประโยชน์นะคะมันเป็นเครื่องมือเหมือนมีดอ่ะถ้ารู้จักใช้มันมันก็ทำประโยชน์ได้ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็บาดมือเราได้นะก็วันนี้ไม่มีอะไรคะ่ระอาจารย์มาฟังธรรมโอเคสาธุคุณอ๋พีเคน้อกลับนักการทนายอาจารย์เจ้าค่ะอ่ามีอะไรไหมวันนี้ วันนี้ไม่มีเจ้าค่ะท่านอาจารย์เข้ามาร่วมรับฟังจ้าค่ะโอเคเด<า>ี๋ยวไปต่อเลยนะคุณม<า>ุสาเจ้าค่ะตอนนี้อยู่หันใหญ่แล้วนี่อยู่นารานมรส ก, การค่ะอยู่นาราที่วาดค่ะลูกเข้านอนไปแล้วค่ะอืมที่แรกโยมว่าจะถามพระอาจารย์นะคะแต่ว่ามันได้คําตอบแล้วค่ะอาจารย์ได้ยินโยมใช่ไหมคะได้ยินยค่ะคือโยมมีความสงสัยว่า โยมปฏิบัติธรรมโยมก็ภาวนาเลยโยมไม่เคยได้ศึกษาตำราหรือไม่ได้อ่านหนังสือเลยอะค่ะแล้วก็พอมาฟังเขาคุยกันเรื่องบาลีโยมไม่เข้าใจแต่โยมก็มาเจอที่อาจารย์เขียนเอาไว้ในในในธรรมะค่ะว่าเราไม่ต้องไปรู้มากให้ร่วมมีศีลกี่ข้อเจริญส ต, ติเจริญอย่างไรอย่างนี้ค่ะโยมก็เลยเอาแบบนี้ได้ไหมคะได้ย่ า, าแบบความรู้เท่าหัวตัวไม่รอดไห รู้หมดแต่ปฏิบัติไม่ได้ทั้งข้อเนี่ยไม่ไมไมดี ค, คือ ร, รู้เกี่ยวว่าเรื่องที่เราต้องการปฏิบัติให้ได้ก็พอก็เลยบอกเอแสดงว่าก็เดินหน้าต่ออย่างนี้ไปเลยไม่ต้องคืออาจารย์ุบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้เรียนรู้กันมากหรอกท่านไม่ได้มีท่านเรียนแค่พุโทโธอย่างเดียวเนี่ยคือสติพอเข้าปัญ ญ, ญาก็ให้รู้ใจรักนู้นวิญญาณสิ่งแค่นี้ก็พอละ ค่ะโ ย, ยมก็เดินหน้าไปแบบเนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็โยมก็เดินแบบเอาแบบอริยสัจสี่มาใช้แล้วก็ไตรลักษณ์มาใช้ค่ะอาจารย์ใช่ตอนนั้นพอแล้วล่ะความรู้อย่างอื่นมันเป็นความรู้แบบมันมันไม่จําเป็นกับผู้ปฏิบัตินะมันเป็นคำรู้แบบที่สำหรับให้คนที่อยากจะรู้เรื่องนู้เรื่องนี้ก็สามารถรู้ได้แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติ โยมมาอ่านแล้วก็โยมก็เลยรู้สึกเออมีกําลังใจเดินหน้าต่อค่ะแล้วก็ฟังธรรมะบนเขาเมื่อวานวันอังคาร น, นะคะอาจารย์เทศเรื่องของบา ร, รมีสิบ ท, ทัดใช่ไหมคะมแล้วก็การสร้างแต่ละข้อแต่ละข้อก็เลยรู้สึกว่ามีกําลังใจค่ะอาจารย์รู้สึกอืมลดซักไปเรื่อยๆค่ะม่รู้แคสิบข้อนี้ก็พอทานทํายังไงศีลทําทยังไงเมตตาทํายังไงอย่างเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโยมขับรถจากบ้านนะคะขึ้นไปเขาที่สุขิลินนะคะ ยมไปวัดที่สุขิลินซึ่งมันต้องขับรถขึ้นขาไปไปกลับก็หกสิบกว่ากิโลค่ะจานยมเอาอาหารไปถวายพระยมออกไปเยอะนะคบวันนั้นแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาอยู่แบบเขาไม่เคยขึ้นวัดค่ะยมเขาเป็นคนแปลกหน้าแล้วก็เหมือนกับคนแต่งตัวมอมแมมนิดนึงนะคะแล้วยมเห็นเขาตักอาหารที่ยมพาไปอะค่ะตักแบบพูนจานพูนจานแล้วยมก็มองดีจังเลยเขาได้กิน แล้วก็ถามน้องอีกคนหนึ่งว่าเขาคือใครปรากฏว่าเป็นคนที่พ่อแม่ไม่มีแล้วอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็อดมื้อกินมื้อโยมก็รู้สึกว่าดีจังเลยเขาได้กินอาหารไม่รู้เขาจะอดมากี่วันแล้วก็ไม่รู้แต่วันนี้เขาได้กินอิ่มค่ะจานโยมก็รู้สึกแบบมันมีความสุขค่ะจารมันเป็นความสุขแบบอิ่มแบบเออมันเป็นแบบนี้นี่เองค่ะจา์มันเจอแบบนี้มาค่ะ เห็นของที่เราให้กับคุณเกิดประโยชน์กับผู้เมันก็ทําให้เราอิ่มใจสุขใจขึ้นมะใช่ค่ะคือโยมเอาไปแบบเยอะเลยค่ะโยมเอาข้ขาบหกเขาญาตนะคะเอาข้าวหมกไก่ไฟค่ะที่นี่ที่นี่จะเป็นขึ้นชื่อใช่ไหมคะโยมก็เอาไปเยอะเยอะจริงๆอ่ะอาจารย์โยมจะได้บอกมันจะเยอะไปไหมพ่อพระสองรูปเองไงคะแล้วจะเหลือไหมแต่ปรากฏว่าทุกคนแบบอิ่มกันท่วนหน้าโยมก็รู้สึกดีใจค่ะโยมบอกมาริการ์ว่าวันนี้มีความสุขจังเลยะ ค, ะค่ะอาจารย์ใช่ แล้วก็เดี๋ยววันที่สิบแปดวันที่สิบเจดโยมเดินทางไปชนบุรีขึ้นขา ว, วันที่สิบแปดค่ะถึงวันที่ทยี่สิบหกค่ะอาจารย์หยุดแปดคืนโอเคอาาดีมากตอนนี้ก็ซ้อมเดินจงกรมทุกอย่างมันคลี่คลายหมดแล้วไงคะอาจารย์ปัญหาที่โยมเจอมันคลี่คลายหมดแล้วลูกก็สุขภาพดีขึ้นสา ม, มีก็ดีขึ้นงานโยมก็เริ่มปล่อยปล่อยไปแล้วก็รู้สึกเราพร้อมแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่า อายุไปก็เรื่อยๆไม่อยากจะปล่อยให้มันเสียใจค่ะขอบพระคุณว่อาจารย์นะคะยมออกมาใช้ตลอดเลยค่ะดีนะสาธุสาธุค่ะพระอาจารย์คุณสองสุดาดีไหมสองสุดาอ่ ะ, อะมาแล้วเป็นยังไงรับนวัสการค่ะพระอาจารย์อมีอะไรมาถามมาเล่าไหมวันนี้ พระอาจารย์ได้ยินชัดไหมคะชัดเจนชัดเจนก็จะเล่าก็ครั้งครั้งครั้งที่แล้วแต่หลายเดือนแล้วก็ได้ได้พระอาจารย์แนะนาเรื่องอารมณ์อ่ะค่ะว่ามันเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาเหมือนเหมือนทุกสิ่งอย่างก็เลยมันช่วยให้พอพอมีอารมณ์เราก็แค่รู้แล้วก็วางได้อย่าเปอย่าเอย่าเป็นอย่าไม่เฉยเฉยนะปล่อยวางใช่ค่ะพระอาจารย์ ก็แต่ทีนี้ ม, มีมีนิดนึงอย่างสมมุิว่าที่เรากังวลบรรดาหารด่นานมากๆถึงเรื่องเรื่องเรื่องความเส็บป่วยใช่ไหมคะพันชาแล้วที่เรารู้สึกว่าเรากังวลเรากกทุกข์ก่อนที่มันจะต้องเจ็บเนีย่ยอารมณ์ตรงนี้ mm hmm. พอพอเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นดับไปมันหายไปเลยนะคะพันชา mm hmm. คือเฉยเฉยตั้งแต่อื mm hmm. แต่ทีนี้อันนี้ดีมากมคือมีความสุขมากๆเลยครับพันย์ แต่ก็สังเกตว่ามันมีอารมณ์อื่นๆที่เกิดมาในใจแต่ว่าเรามันมันมันเกิดขึ้นอาจจะช้าหรือเร็วที่เรารู้มีสติรู้แล้วมันถึงจะหายไปหยุดไปอ่ะอาจารมันมันมันยังก็ยังต้องเกิดใช่ไหมค่ะพะใช่บางทีมันไม่หายเราก็ต้องต้องยอมแล้ว่ามันไม่หายมาทีสติแว่าก็กหนดว่ามันไม่หายเราก็ต้องอย่าไปอยากให้มันหาย คือ ต, ตัวปัญหาคือความอยากของเราอยากไปควบคุมบังคับอารมณ์อะไรบางทีเรายังควบคุมได้ก็คุมไปถ้าเรามีสติอารมณ์อย่างมันก็ดับไปไนดะ้แต่บางทีมีสติแนละ้วมันก็เป็นยังไม่ดับก็ต้องใช้ปัญญาว่าอ๋อมันเป็นอนัตตาไปทีนี้เหตุของที่ทําให้เกิดอา ร, รมณ์อะคะ่ะพระอาจารย์ถ้าเรารู้ว่ามันเรายังปล่อยเหตุ มันไม่ได้อะพร่าอาจารย์ก็ก็ต้องต้องทําได้แค่นี้ไปก่อนใช่ไหมคะพี่อาจารย์สาเหตุมนตันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันเห็นบางเหตุแล้วก็คุมได้เห็นบางเหตุแล้วก็คุมมันไม่ได้อารมณ์นี้มันเกิดได้มาทั้งทางตาหูจมูกมิ้นท์ได้ทางตาหูจมูกมิ้นกายทางความคิดปุงแต่งได้สัญญาได้ความจําได้หมายรู้มันมันได้ทุกประตูมันได้ทุก ท, ทางบางทีเราก็ บางอย่างแล้วคุมได้ก็คุมมันไปหยุ ด, ดนั้นหยุดมันได้ก็หยุดมันไปถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันไปอยู่กับมันไปคแล้วมันมีทางที่อารมณ์จะในใจจะไม่มีเลยนะคะพระอาจารย์ก็ต้องไม่มาเกิดขนะึ้น <laughs> ใช่ไหมันนี้ก็จะไม่มีช่องอะไรที่จะทําให้ปลุกอารมณ์ขึ้นมา <c oughs> อหรือจิตเข้าฌานไปช่วงที่เข้าฌานก็ไม่มีอารมณ์เกิดขึ้น ถ้ามันเข้าใจาก็เข้านิพพานไปในสอ ง, งที่ที่มันจะไม่มีอารมณ์เกิดขึ้น ถ, ถึงแม้ว่าสชัวเวทนาเราเราเฉยกับมันได้ความกังวลที่จะต้องไปเจอเวทนาของก็รู้สึกว่าเราหยุดมันได้แต่ว่าถ้าถ้าเราเผลอเมื่ อ, อไหร่มันก็จะมีแวบมาสักแป๊บหนึ่งค่ะพระาอาจเกิดอารมณ์เช่นกังวลเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ใช่ไหมค่ะพระอาจาย์ยอมรัวบว่าสิ่งที่เรากังวลเราก็ห้ามมันไม่ได้ที่อย่างนี้มันจะเกิดก็ต้องเกิด ใช่แล้ะค่ะพระอาจารย์แล้วก็หนูอยากอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับที่ยังติดขัดช่วงนี้มากๆทุกทุงจนอ่วมเลยพระอาจารย์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเรื่องงานนะคะพระอาจารย์หนูอยากถามครั้งที่พระอาจารย์แนะนำว่ามันคือลาบยศสรรเสระะิญเลยค่ะพระอาจารย์และหนูก็ได้ไฟังคสอนพระอาจารย์ที่มันเป็นที่พึ่งได้อันนึงก็คือพระอาจารย์บอกว่าให้ เราไม่สามารถทําให้ทุกอย่างมันเจริญได้ตลอดต้องมองให้ลงอนัตตาใช่มคะพระอาจารย์ใช่ใช ท, ทีนี้ถ้ามันสมบูรณ์ถ้ามันคือตอนนี้หนูยั ง, ย, งยังปล่อยวางไม่ได้พระอาจารย์แต่ทําได้แค่แบบรู้ว่ากําลังกังวลกําลังทุกข์รู้แล้วหนูก็ได้แค่วางพระอาจารย์หยุดคิดอยากที่พระอาจารย์แนะนําแต่มันยังยัง เมื่ อ, อไหร่มีปัญหาก็ก็จะกังวลจะทุกข์ไงพระเจ้าโอเคไหมเลยถ้าเกิดถ้าเกิดมันจะมันเกิดมันจะดับหรือมันเกิดมันจะหมดไปเราจะห้ามมันได้หรือเปล่าห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมหรือบางทีเราเราดับอย่างเงี้ยมันไม่ดับแต่เราดับนั่งกายเราดับเราจะไปกังวลหาอะไรใช่ไหม มองให้เราทุก อ, อย่างมันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที้เราควบคุมบังคับไม่ได้ส่วนไหนเราทําได้ก็ทําไปส่วนไหนที่ทําไม่ได้ก็ปลงไปค่ะแล้วก็ถ้าเราสมมติว่าเรามันมีตรงที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้ธุรกิจนี้มันสมมติมันจเจริญหรือมันแบบ ไม่ลงหายตายจากเพราะว่ามันเป็นของที่เป็นพ่อคุณแม่ท่านเริ่มไว้เลยนะคะท่านฝากไว้อันนี้เรายึดเราเรายึดกระทข์ก็อยากไงเพราะอยหาของมันก็ทุกแล้วจะไม่อยากทำมันแล้วก็ทำให้ดีที่สุดตามกำลังของเรามันจะขึ้นหรือจะลงมันก็มันก็มีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่มาเกี่ยวข้องด้วยที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้มันคือเราไม่อยากให้ของที่เรารักมัน ก็แสดงว่าเราหลงถ้าไม่อยากให้มันของที่เรารักนี่ก็แสดงว่าลืมคำสอนพระเจ้าบอกเราต้องพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเป็นธรรมดาเราจะต้องพัดพาคจากของรักของเะรินใจทั้งหลายทั้งปวงไปเราลืมคำสอนอันนี้เพราะถ้าก็ไม่จากเราเราก็จากเขาไปไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายให้คิดถึ ง, งความตายบ้างมันจะได้หายหายเครียด บทีเราทำดีแทนดีบริสัทยอยู่ได้ดีแต่เราตายซะก่อนแล้วจะเกิดประโยูนอะไระใช่ไหมใช่แล้วค่ะพระอาจาจะลับไปเป<ช>็นหลับหยีอยากมองดูภาพยนตร์คิดถึงตอนจบบ้างในที่สุดตอนจบก็คือตายหมดอย่พวกเราทุกคนในห้องนี้เดี๋ยว ก, ก็ตายกันหมดไม่มีใครอยู่รอดทุกคนใช่ไหม เนี่ยเราใครจะไปก่อนไปหลังนค่นี้บางทีเีาเราจะไม่ค่อยกังวลกับใครไม่ค่อยกังวลกับคนนั้นคนนี้เพราะในที่สุดเขก็ต้องตายอยู่ดีแต่ถ้าไม่ถ้าเมตตาได้ก็เมตตาถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะแต่ถ้ามันส่วนวิสัยก็ต้องเป็นโอเบคขาไปแค้ว่าไม่โอเบคขามลนเพราะในที่สุดเราก็ต้องตายกันหมด อาจารย์แล้วหนูขออีกคําถามหนึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติในรูปแบบนะคะอาจารย์คือช่วง ส, สัปดาห์ปีที่แล้วพองานมันมันยุค ม, มันเครียดมากก็เลยในการนั่งสมาธิทุกวันมันจะมีแต่ความคิดเรื่องงานอาจารย์พอหนูหยุดไม่ได้หนูก็เลยลงไปนั่งกับพื้นที่เคยเรียนอาจารย์ลงจากเบาะสมาธิแล้วไปนั่งกับพื้นเนี่ยกลายเป็นว่าพอมันมทีทั้งเวทนาทั้งความคิดเนี่ยเออตอนแรกหนูก็รู้สึกกังวลว่าเอ๊ ที่เราเข้าใจว่าเวทนาเราทำได้แล้วมันจะมันจะเสื่อมมันจะเสื่อมจนเวทนามันกลับมาเป็นเป็นความถูกของเราใหม่ใช่ไหมคระอาจารย์ทีนี้มันวันนั้นหนูไปเรียนถามพระอาจารย์เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะคำแนะนาพระอาจารย์ที่ที่ช่วยได้มากเลยพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์บอกแค่ว่าเวทนาถ้าผ่านได้จริงเนี่ยต้องรู้ได้ด้วยตัวเองพระอาจารย์แล้วก็ที่เรา ที่เรานั่งสมาธิแล้วมันหยุดความคิดไม่ได้มันคือจิตตกจากสติและปัญญาใช่ไหยคะพระอาจารย์ทีนี้หนูเลยอยาคือต้องรายงานเกิดว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยตอนแรกหนูกับก็ยังคุยกพี่สาวว่าเออตอนแรกหนูว่าจะแอบคิดว่าพระอาจารย์จะช่วยช่วยเกินตีว่าเวทนาผ่านได้แล้วเนะี่ยพระอาจารย์แต่พอพระอาจารย์บอกว่าต้องรู้ได้ด้วยตัวเองกลับไปหนูกนั่งสมาธิแบบปักลงไปที่แบบความนิ่งอยู่คะพระอาจารย์ก็เลยได้สมาธิแบบที่ ที่มันเจ็บจนเห็นเวทนามันมันแยกเป็นเป็นก้อนอ่ะพระอาจารย์แล้วก็เราเห็นความยึดว่าเรายึดมันไว้แล้วก็เลยปล่อยแล้วเวทนามันก็หายอะค่ะพระอาจารย์จิตมันก็ดิ่งเข้าแบบดึกลึเลยแล้วก็มันมันเป็นสมาธิผู้เหมือนไม่ได้มานานแล้วนะพระอาจารย์ก็เลยต้องเอเรียนพระอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์ด้วยแล้วก็หรู้สึกว่าหลังจากงานเนี่ยออกมาใช้ชีวิตก็รู้สึกว่าจิตมัน สติมันไหวมากตอนนั้นมีความทุกที่แบบธุรกิจมันค่อนข้างวิกฤตเนี่ยมันทุกรอบได้ชฉยๆตอนนั้นหยุดก็หยุดหยุดทุกความคิดแล้วจิตมันก็ดิ่งรู้ไปแล้วก็ก็สักพักนึงอพอพ อ, พอมันเคลียร์ใจได้ก็กลับมาตั้งสติแล้วก็ทำแก้ไขปัญหาเรื่องงานช่วิตวิชาชิตรู้สึกว่ามันเป็นพลังของธรธิ ท, ที่ที่ได้ได้หลักยึดจับร้านฐานนะคะ หลังจาก น, นั้นก็รู้สึกว่าหยุดความคิดอยู่ความกังวลในหน้านะที่การงานได้ได้ดีขึ้นตามลําดับแต่จนจนถึงตอนนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนพระอาจารย์สมาธิของหมันก็เสื่อมลงไปเป็นณนะตอนนี้มัน น, นั่งสมาธิแต่ว่าเวทนาไม่เข้าใจซึ่งว่ามันเหมือนไฟหนูไม่มีวันเข้าไปอยากให้มันหายก็นั่งไปจนเวทนาไม่ไ ม, ไม่ไม่มากระทบก็หนูทําได้แค่หยุดความคิดนะคะพระอาจารย์เรื่องงานแต่ว่า จิตมันไม่รวมพระอาจารย์มันมันอยู่กับว่าหยุดความคิดแล้วก็ว่าอยู่ตรงนั้นนะพระอาจาก็ให้มันอยู่อย่างนั้นไปก่อนถ้าหยุดคิดได้เนี่ยเราพยายามหยุดไปอยากอย่าปล่อยให้มันคิดก็แล้วกันอืมแล้วเดี๋ยวถึงเวลามันจะงหวมันจะรวมมันจะรวมของมันเองถ้าเราไปอยากให้มันรวมมันจะไม่รวมแล้วความความว่างแบบนี้มันมันพอที่เราจะมาใช้ในการ ระหว่างวันเลยค่ะพระอาจารย์มาลองดูสิลองดูใช่แล้วค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ก็พยายามไปวัดให้ให้บ่อยขึ้นค่ะพระอาจารย์อยากไปได้กำลังสัะอาจารย์การปฏิบัติมันต้องปฏิบัติใช้การปฏิบัติเป็นเครื่องทดลองถ้ามันนั่งคิดทางทฤษฎีมันไม่ไ ม, ไม่ไม่เกิดประโยชน์หรอกเอออยากจะรู้อะไรก็ลองทดสอนด้วยการปฏิบัติดู หมดคำถามแล้วค่ะพ <Okay. S 2> ระอาจารย์านําไปทบทวนแล้วพยอยางให้มากเจ้าค่ะสาธุคุณนน์จากเซเลมอเมริกันการนันตการนะคะหลวงพ่อปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะปาทุกเวทนา ไม่รู้สึกหรอค่ะปวดก็คือปวดไม่ไม่จิตมันอยู่ก็มันได้อยู่กับมันได้ไม่กลัวมันจะค่ะไม่กลัวเจ้าค่ะออย่าไปลังเกียจมันอย่าไปลังเกียจมันมันจะไม่ทรมายิ้มก่ะหลวงพ่อรู้สึกเป็นเพื่อนกันไปแล้วเจ้าค่ะปวดก็ปวดไปก็ไม่ไม่ขยับไม่อะไรอะค่ะรู้สึกนิ่งไปแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นอ่าอ่ากระดูกกระดูกมันเสื่อมอ่ะค่ะ เป็นทางล่างก็เลยก็ดีค่ะได้สภาวะมากขึ้นรู้สึกว่ามันเวลามันเหลือน้อยลงน้อยลงก็บางทีนั่งไปกระดูกคอมันก็จะเลื่อนเปาะไปลูกก็ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกว่ากลัวหรืออะไรก็รู้เฉยๆไปสักแต่ว่ารู้ไปแล้วค่ะตามขาตามข้ออะไรอย่างนี้ก็เราไม่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกายก็ดูมันไปมันรถ ย, ยนต์กันน่ง ออยางแตกก็แตกไปเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไม่ไม่รู้สึกว่าจิตมันมันมันทุรนทุรายเหมือนเหมือนเมื่อก่อนความอยากอยากหายไม่มีนะคะก็เป็นก็เป็นไปรู้สึกว่าอ่ามันมีความอยู่กับเขาแล้สึกเหมือนไม่ไม่รำจิตเขาแล้วสบายไม่ไม่มีการต่อสู้กันเจ้าค่ะต่อสู้แล้วเพีรค่ะเจ้ายค่ะ ถายอมหยุดเย็นน่าสบายเจ้าค่ะเมื่อเชาาลูกตื่นมาปฏิบัติตอนตีสองรู้สึกว่าเหมือนจเจริญสติตลอดเวลาพอเช้าพอตีสองมาตีหนึ่งกว่ากว่าเจคะอยากอยากลุกมานั่งสมาธิลูกก็จัดการตื่นมาจนปาน่ า, น, ปานนี้เจ้าค่ะปฏิบัติตอนเนื่องเจ้าค่ะดีสะอาไม่ทอเจ้าค่ะขอบขอบคุณในความตั้ง ทำคำตังสอนแล้วก็ความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าค่ะอ่สาธุสาธุเจ้าค่ะเป็นมลิกาดาเทวาเหมือนกันอยู่กับคนะอเภอกับคุณอุสาเลยในอาเภอเดียวกันเจ้าค่ะพระอาจารย์รูกอยู่อาเภอละแงะเจ้าค่ะพระอาจารย์อุษาอยู่ที่จารอเจ้าค่ะก็ ตอนหยงมันได้อยู่อำเภออะไรตอนหยงมันอำเภอละแง่เจ้าค่ะอาจารย์ที่โรงเรียนที่พระอาจารย์ไปเรียนนะคะอาจารย์ลูกเคยไปสอนเป็นครูอัตราจ้างเป็นโรงเรียนจีนใช่ไหมใ้่จะไม่ผิดนะจะไม่ผิดไม่ใช่จะเป็นโรงเรียนจีนเป็นค่ะเป็นเรือนไม้แต่เดี๋ยวนี้นั้นเขาเป็นอาการถาวรแล้วค่ะแต่ก่อนนั้นยังเป็นไม้อยู่ค มันเป็นนอนอยู่บนนอนไม่หลับจำจำไม่ได้ใช่ไหมมันต้องเดินขึ้นบันไดเรื่อยๆทำนอนใช่ไหมจำได้อันนั้นยังเด็กอยู่ยังเรียนอนุบาลอยู่ไลถ้าทจ่จำได้ก็อยู่ที่นั่นก็ได้ประมาณเกือบปีเหมือนกันแต่พอดีคุณครูใหญ่เขาต้องการเอาหลานเขาเข้ามาแล้วก็ ก็มีปกากเสียงนิดหน่อยก็เลยบอกว่าเออย้ายก็ย้ายแล้วก็ลูกนั้นตอนนั้นก็ยังเป็นครูสอนทางไกลของกลุ่มทางไกลอยู่ด้วยวันเสาร์ ว, วัอาทิตย์แล้วก็ไม่ได้ไปช่วยงานมูล น, นิธิก็เป็นสาเหตุหนึ่งก็ทําให้ว่าเขาก็คงจะไม่ไม่ไมีไม่พอใจในจุดนี้ด้วยเพราะว่าคุณครูที่นั่นทุกคนจะต้องไป ไปทํางานที่มูล น, นิธิวันเสาร์วั น, วนอนาทิตย์แล้วค่ะผู้อาอาจารย์นั้นลุกก็ไม่มีเวลาเพราะว่าต้องสอนทางไกลทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วก็ตกลงว่าก็มาสอบใหม่ต้องมาสอบก็เป็นครูอัตาจ้างอยู่ที่สุขินตั้งแต่ปีสามเจ็ดจนถึงนั่นแหละได้งแต่นั้นตั้งแต่ปีสามเจ็ดจ น, น, น, น, น, นต้นแบบมีอะไรไหมวันนี้ก็เดยคุยว่า ทําที่ที่ผ่านมาเนอะคุพระอาจารย์ mm hmm. เมื่อเราเกิดปัญญาขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วคุพระอาจารย์ว่าเราก็เห็นว่าทุกที่มันทุกทุ ก, ทกเพราะว่าเรางโง่รือเหลือมีปัญญาน้อยพอเรามีปัญญาน้อยเราไม่มองมองทุกนั้นมันไม่ได้ได้เห็นว่าเออทุกนั้นมันต้องเกิดคู่กับสุข เราไปยินดีอยู่กับสุขดังนั้นเมื่อเกิดความทุกข์เราก็เกิดความไม่พอใจดังนั้นเราก็ต้องร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เราก็เสียใจทุกข์อยู่อย่างนั้นนะคอาจารย์ดังนั้นทุกเย่างขอถามพ่ออาจารย์ว่าสิ่งนี้ใช่หรือไม่ที่เราต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่สิ่งที่เวียนตายเวียเกิดเพราะเราอยากอยากให้มมีแต่ความสุขเนี่ยพอเจอความทุกข์มันเราก็จะหนีมัน อยากให้มันหายไปนี่อยากจะหนีจากมันไปเกิดภาวะขึ้นมาความอยากทั้งสามเนี่ยที่พาเรามาเห็นว่าตายเกิดความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกิ่รนัความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำ อ, อยากรวยความอยากไม่แกไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยของความอยากอันนี้มันตัวที่คอยผักดันให้จิตเราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเยอะเจ้าค่ะผู้จัด ดังนั้นพอพอเราพอพอได้เรียนรู้อย่างน้อยก็ได้ซึมซับจากคําสอนของพระอาจารย์นะเจา้าคพระอาจารย์ <c oughs> ก็ทําให้เข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นพอมีความลึกซึ้งตรงนี้ปัญญาแสงแห่งปัญญามันก็พอโผล่ขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่าเออนะถ้าเหมือนที่พระอาจารย์ว่านั่นแหละว่า ถ้าเรามัวแต่หลงทำงานก็คือโง่ค่ะพี่จันสะดุดรู้สึกว่าสะดุดคำนี้มากหลงแต่ทำงานทำงานจนไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัตินั่นคือเราโม่เรามวัวหาแต่หาแต่สติไม่หาหาแต่สตางไม่หาสติไงค่ะพี่จานอแล้วก็เลยคุยกับคุณอาวุสาว่า เราต้องเล่งนะพยายามในจุดนี้มาจารณ์สติมาจริ์ปัญญากันดีกว่าเจ้าค่ะพระอาจาิจารณาตัวอย่างให้เห็นว่าเป็นตายรับไปหมดจะได้ตัดความอยากได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เรื่องคาถามนั้นลูกก็ไม่มีคำถามนะพระอาจารย์ได้แต่ใจตรองมาพิจารณาในแต่ละวันที่ว่าทุกที่ทุกทุกที่ร้องไห้ครั้งแล้วครั้งเล่าเสียใจร้อนกอทุก เย็นก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ทุกทุกทุกอยู่ตลอดเวลาแล้วทําไมเราจึงไม่หยุดความทุกข์ไม่ให้มันเกิดทุกข์โดยที่มาดับด้วยปัญญาได้หรือไม่นะครับอาจารย์เพราะนั้นก็ต้องขึ้นเขาชียรอนครับอาจารย์เออดีไปฝึกสตินั่งสมาธิเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกไม่มีคําถามนะคะพระอาจารย์สาธุเจ้าค่ะ คุณหมอสุทธานีเป็นยังไงสบายดีสบายดีเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์มไม่มีปัญหาอะไรเจ้าค่ะโอเคทําต่อไปรักษาจิตให้สงบนะเรา่นท่านพระอาจารย์ขอขอบคุณเจ้าค่ะคุณวัทละพรหายหน้าไปนานเนี่ยช่วงอ่า ลูกชายด้วยเดิมเชืเ่อไม่จะทนานับบนมสัสการ์หลวงพ่อไม่ได้ไปหายไปไหนเพียง<ด>แต่ไม่ได้เข้าฟังฟังฟังอยู่ข้างนอกตลอดจ้ะค่ะหลวงพ่อโอเคจ้ะค่ะไม่มีขาดฟังหนึ่งครั้งเมื่อวันพุหัสที่แล้วอยู่บนเรือฟังไม่ได้ก็ <laughs> มาย้อนฟังจ้าคะ่ะหลวงพ่อจ้คะค่ะหลวงพ่อจ้ที่สเปนนั่งอยู่ที่ไหนนะตอนนี้ อยู่ยังอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านที่ฝรั่งเศสเจ้าค่ะแต่ก็ก็ไปบ้านที่สเปนทุกเดือนเจ้าค่ะหลวงพอก็ก็ยังอื่นก็ไม่มีอะไรก็สงบสงบดีแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่มากระทบไปเจ้าค่ะหลองพ่อมันมีความแบบพอใจกับไม่พอใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะจะพอใจไม่พอใจก็คือหมายหมือนสามีย ทำไมทำไมคุณทำไม่หยุดสักทีแล้วเราไม่อยากได้ยินโปรเจกต์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยไม่อยากได้ยินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วลูกจะทํำยังไงเจ้าค่ะลูกจะทจําใจยังไงที่แบบว่าต้องต้องฟังนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่แบบก็ฝนก็เงียบฟังอ่ะแต่ในจิตมันแบบว่ามันมันมันค้านว่าฉันไม่อยากได้ยินไม่อยากไม่อยากได้ฟังโปรเจกต์ต่างๆอะไรอีกแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกจะต้องทําใจยังไงเจ้าค่ะมองว่าเปนเหมือนดินฟ้าอากาศ มันตกเราต้องทําังไงนะฝนตกแบดออกน้ําท่วมไฟไหมเราจะทํายังไงเราก็ต้องอยู่กับมันไปเจ้าค่ะนะมายเขาว่าเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เพราะเป็นอย่างเนี้เราควบคุมใจเราได้ใจเราอย่าไปดิ้นหนีมันอย่าไปชังมันอย่าไปเกลียดมันอัดชอบมันเสียมันจะได้อยู่กับมันได้ทําไมเขาอยู่กับเขาได้ เขาชอบมันใช่ไหมเขาก็ีเขาก็รีอ่กับเรื่องของเขาได้เราก็หาชอบถึงเนี้ยเมื่อเราต้องอยู่กับเขาอะชอบเขอพอพลิกใจล้ ว, วพิกใจเราเจ้า่ะเจค่ ะ, คะก็พยายามบอกใจตัวเองว่าโอเคออก เหมือนหลงที่หลวงพ่อเตือนว่าเวลาเขาพูดอะไรก็หันไปอืออะบ้างนะาีลูกก็ยิ้มก็ขํำนึกขึ้นมานึกควมนึกคําว่าคุหลวงพ่อที่เตือนบางทีเรานั่งเขาเขาพูดเราก็จะนิ่งไม่ตอบอะไรเลยนิง่งใจมันก็เหมือนแบบไปยักหน้าบ้างไปยั <c oughs> กหน้าบ้างแล้วแบบบางทีลูกก็ขำ น, น, นึกขึ้นมาหลวงพ่อแบบหันไปอืออะก็งโบ <c oughs> ้างนะลูกก็ขำของลูกจกำได้ขำ ม, มันฟังแล้วเห ม, มือนรบบ ไม่มีอย่างได้ยินไม่อยากอะไรแล้วก็ก็นิ่งฟังแล้วก็มักตีคำหลวงพ่ออ่านไปอ อ, อ่ามังนะก็ห่านไป <c oughs> แล้วก็กขำมาเจ้ า, <c oughs> จาขาเจ้าคขะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็ก็สุขภาพก็รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาไม่ไม่ทึกทุกอย่างแบบเห็นแล้วก็วางเปล่าวางเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วควบคุมบังคับก็ไม่ได้เป็นอนาตาัตตาหลวงพ่อ <c oughs> แล้วค่ะแล้วก็เห็นมันเป็นขยะหมดแล้วเจ้าพ่อหลวงพ่อแล้วมันมันเยอะเจ้าข้าที่บ้าอย่างเงี้ยแลเจ้าค่ะก็่าอยู่กับมันไปเมื่ร่เรายังอยู่กับมันก็เราอยู่กับมันไปให้ได้ชอบข้าหลวงพ่อก็มันมันมันเหมือนมันปัดใจเราเราอยากเราอย่างนั่งนิ่งๆปฏิบัติอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดีดีดีก็ไปนอนข้างถนนก็แล้วกันให้มองว่าสักเกิดแล้วมี ถ้าเกิดแค่เราเกิดถ้ายูไม่เช่าไอยก็ไปอยู่ของอยูก็แล้วกันเนี่ยมันก็ยังไปไม่ได้กับคือมันเหมือนหลวงพ่อมันเหมือนใจมันเหมือนเหมือนใจมันบวชมันเหมือนมันไปแล้วเต็มร้อยแต่ว่าเรายังไปไม่ได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อมันก็จะต้องทอยู่ต่อไปเจ้าค่ะเพราะว่ามันก็อวันนึงก็น่าจะถึงเวลาให้ค่อยๆเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างไปเจ้าค่ะ ก็มันก็ยังยังเยอะแล้วเราก็ก็ไปมองก็บอกก็จะเหมือนให้ธรรมารีโอไปด้วยว่าดูนะว่าเนี่ยมีอะไรมันก็ทุกไปหมดนะมีประสาทก็ทุกเห็นไหมมันมันเหนื่อยนะมันใหญ่โตว่าเราจะขายมันก็ไม่ได้ขายง่ายเพราะมันเป็นประสาทที่ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไจะก็ก็จะพูดบอกเขาว่าเนี่ยเนี่ยอยู่ดูนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้ธรรมะเข้าไปด้วยสช่ไหมพอาบางทีเขาก็จะบอ อันนี้ธรรมะใช่ไหมครับคุณแม่เจ้กาก้าหลงวะตรงนี้เขาก็จะแบบคุณแม่อันนี้ธรรมะให้ธรรมะหนูใช่ไหมใช่ลูกเนี่ยดูนะไม่ใช่สุก้วเนี่ยมันก็ทุกทุกอย่างก็ต้องจ่ายบ้านที่สเปนก็ต้องจ่ายคนงานบ้านที่นี่ก็ต้องจ่ายคนงานบ้านเมืองใจก็ต้องจ่ายคนงานอะไรแม่บ้านทุกที่ก็ก็อบอกเขาว่าให้ใช่อยๆเคลียร์ลงมาแล้วแม่จะได้แบบรีบๆอยู่วัคคเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้ แล้วก็มีสิ่งเนี้ยสาขาที่มาอย่างอื่นก็ไม่มีมันเหมือนแบบมันเบื่อหน่ายสังคมอะไรไม่ไ ม, ไม่ไม่คนเขาว่าว่าลูกเขียนไปแล้วว่าทำไมมีประสาทมีบ้านหน้าร้อนเลยทําไมถึงแบบอะไรอย่างเงี้ยทําไมถึงมันเป็นอธิบายบอกใครไม่ได้เจ้คาค่ะหลวงพอ่อว่ามันเห็นทุกข์ก็สค่ะคมันเห็นทุกอย่างทุกแล้วมันเหมือนแบบ มันเหมือนเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่ที่เราแบบมีความสงบที่อธิบายบอกใคร ไ, ไม่ได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะโอ๊ยถ้ามันมีความสงบจริงมันไม่ทุกข์กับอะไรหรอกมันไม่สงบเลยคิดว่าสงบแต่มันไม่สงบหรอกแต่มันสงบมันมันไม่ทุกข์กับอะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อเวลาที่เราไปไปีเข้าห้องเนี้ยเจ ค, ค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อมันก็สงบช่วงหลังนี้ที่ลูกไม่เข้าเพราะ ตอนเนี้ยเขาก็ตกแต่งภายในจิตประสาทที่ที่ดีมันต้มันต้องสงบได้ทุกที่ไม่ใช่เฉพาะว่าต้องเข้าไปในห้องอยู่คนเดียวใช่ค่ะหลวงพ่อก็มันมีสิ่งมากระทบแล้วเราก็ยังใจอ่ะยังรู้สึกไม่พอใจฉันไม่อยากจะได้ยินสจ้าค่เราไม่ใจไม่สงบเลยถ้าใจสงบแล้วมันจะไม่ไม่มีอะไรมากระทบได้อ๋อใชาค่ะหลวงพ่อสภาค่ะแล้วลูกจะต้องร็พุดโทพุทโธพุดโธไปใช่ไหมสักสติพักสตินั่งสมาธิเยอะมาก เจ้าค่ะเจ้าค่ะน้อมนําปฏิบัติเจ้าค่ะปัญญาก็สอนใจว่าเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้บังคับเขาได้สัดเขาได้เจ้าค่ะหลวงพ่งงอเ จ, จ, จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะหลวงพอ่อไม่ได้เข้าแต่ว่าไม่ได้เป็นไหนลูกเช้าขึ้นมาลูกก็ อ, อ, อ๋อแล้วอย่างหนึ่งก็คือ ก็คือสินก็คือคบก็จะมันจะเป็นสินเจ็กับสินแปดเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะว่า<ม>เพราะว่าเรื่องอาหารบางทีมันไม่ร่วมโต๊ะไม่ได้เจ้าค่ะ<ม>ก็เจ้าค่ะแต่ก็จะมีจะมีแต่ว่าเหมือนก็เหมือนจะทานลูกจะเริ่มทานอาหารคือตั้งแต่เช้าตื่นมาลูกจะปฏิบัติอยู่ในห้องปฏิบัติจนถึงเที่ยงลูกถึงจะลงมาข้างล่างแล้วลูกถึงจะเริ่มทานอาหารอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วค่ะ แล้วก็บางทีก็ก็เป็นมื้อเดี่ยวแต่บางทีถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องร่วมโต๊ะดินเนอร์ต้องก็ก็จะมีอันนี้เจ้าค้ะที่ที่ก็ยังไม่ได้อย่างอื่นเขก็ครบเจ้าค่ะแล้วก็เวลาวันอ๋อล่ะมีอย่างวันวิสาขบูชาวันมาค้าใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วลูกก็บอกเขาว่าก็เดินไปบอกเขาว่าเอาวันเนี้ยเราจะ เราจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคือเขาก็หันมาเห็นลูกแล้วเห็นลูกแบบแต่งตัวเรียบร้อยชุด ข, ขาวแบบเหมือนอยู่วัดแล้วก็บอกว่าออวันนี้เราบอกเราขออนุญาต น, นะเพราะว่าเราจะปฏิบัติ24 h o u r s ฉันจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาก็ทำหน้าหันมาตกใจว่าจริงเหรอยูยูไปได้จริงๆหรอแล้วลูกก็ไปได้สิทุกเชา้าอ่ะ ฉันก็ไปทุกเช้าอยู่แล้วแล้ววันเนี้ยแต่วันเนี้ยฉันจะเป็วันที่สำคัญฉัยอ็จะต้องไป24ชั่วโมงนะเขาบอกเขาอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยลูกเป็นการโกหกไหมเจ้าค่ะเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่ลูกเข้าห้องพักลูกจะมีติด ท, ทีดครั้งว่าลูกจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยที่แบบเหมือนเราต้องไปเข้าเฝ้าระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ, อันนี้เป็นความคิดของลูกแล้วลูกก็บอกเขาไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกเนี่ยเราเป็นคนพูดแนละ้วต้องรู้เสรีแล้วโกหกแล้วไม่โกหก น่คะแต่ว่าลูกไม่ลูกทุกครั้งลูกจะมีความรู้สึกว่าลูกได้ได้ไปเข้าฟ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเจ้าค่ะหลวงพ่อโกหกเลยก็ไม่โกหกเลยแล้วตั้งใจโกหกก็เปล่าเไม่ไม่ได้โกหกเพราะว่าเป็นความรู้สึกจริงๆที่ที่ลูกที่ลูกจะเป็นอย่างนั้นแล้วมาถามมาทำไมคนพูดต้องรู้สจักใจเธอจะโกหกก็ไม่โกหกนะเจ้าคก็เลยเอเออยากเราพูดไปอย่างนี้แล้วแล้วแล้วเรา เป็นการโกหกหรือเปล่าแต่ว่าความรู้สึกลูกอะทุกครั้งที่ลูกเข้าห้องผ่ะลูกจะแบบทุกอย่างต้องแต่งตัวเรียบร้อยแบบมิบกิทเรียบร้อยแล้วยิ่งวันนั้นแบบเอือเป็นวันสําคัญแล้วลูกจะแบบเขาก็ตักื้เนี่ยจริงเหรออยู่ไปเข้าไปเข้าเฝ้าได้จริงว่งนนะจริงจริงสิอะไรเงี้ยเจ้าค่ะเพราะลูกลูกมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรนะเจ้าค่ะทุกครั้งที่จะไปเข้าเฝ้าไปเข้าห้องเนี่ยก็จะบอกว่าต้องแต่งตัวทุกอย่างเรียบร้อยเพื่อที่จะไป ไปไปไปปฏิบัติไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ตัวเองเป็นคนที่บอกกับตัวเองเนี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะก็บอกเข้าไปตามความจริงตามความรู้ของเราไปเจ้าค่ะนี่อันนี้เป็นความรู้สึกเราลูกก็บอกเข้าไปอย่างเงี้ยเขาก็โอ้จริงเหรอยูไปได้จริจริงเหรอเจ้าค่ะเจ้าค่ะเขาก็สาธูเจ้าค่ะหลวงพ่อเขาก็สาธูเจ้าค่ะเขาเาก็สาธูเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ เดียวมีอะไรไหมมีครับวันนี้ก็เข้มาฟันครับตอนนี้ปิดเทอมอยู่ยังไม่ปิดใกล้ปิดเทอมแล้วครับแต่จะกลับไปจะเรียนจบแล้วครับอีกอีกหนึ่งกลับไปสอบอีเทอมหนึ่งแล้วไม่ต้องไปสอบอย่างเดียวเลยตอนนี้เหลือสอบอย่างเดียวแล้วครับแล้วก็จะจจบตรีแล้วจบโทบัชเลอร์ตรีใช่ไหมบัชเลอร์ดิ้ชเลร์ตครับตรีมันจะต่อไหมจะต่อโทไหม ครับจะต่อครับแต่ต้องดูรอดูเกตว่าถึงไหจะจะกลาจะกลับมาเรียนที่สเปนก็เลย okay. มีโรงเรียนมีโรงเรียนภาษาอังกฤษที่สเปนมีครับอย่ า, ถ, าถ้าที่บาเซลนาถ้าเป็นมหาลัยอันดับตน้ตนๆของประเทศอย่าง University เขาใช้ภาษาอังกฤษเลยเขาเ ป, ป็นภาษาอังกฤษปนภาษาสเปนครับ okay. แล้วก็เ ร, เราก็รูร้ทั้งสองภาษาอยู่ยงได้เชนกันนี่ครับ พูดต่อสเปนได้แล้วก็ภาษาอังกฤษได้ก็เลยพอังได้ดีรอบดวงตาได้ดีตอนนี้มีกำลังเรียนก็เรียนไปเยอะๆดีโอเคนะวันนี้วันนี้ร่วมถวายไปที่หลวงตาด้วยโอเคได้รับทราบแล้วขออนุญาตนะขอให้หลวงพ่อมีธาตุขันแข็งแรงเป็นล้มโพล้มใส้ของลูกหลาน ยิ่เกิด120ปีนะเจ้าค่ะหลวงพ่อสาธุเจ้าสาธุเจ้าค่ะคุณจาเลนทอนจะอยู่คู่กับเราไม่นอย20ปีทำน้ัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ได้ไหมคะพระอาจารย์ขอเราอยู่คนเดียวเราไม่อยากให้อยู่นะไม่ไม่หนูเชื่อว่าท่านถ้าพระอาจารย์อยู่มีอีกหลายคนต้องคอยติดตามพระอาจารย์คอย เราฟังธรรมะแล้วก็คอยเรียนรู้จากพระอาจารย์แน่นอนคะ่ะตอนอยู่เป็นเพื่อน อ, อ, ยอย่าบอกให้เราอยู่คนเดียวนะเราอเ <laughs> ขอด้วยอีกคนได้ไหมคะขอให้พระอาจารย์ทาตุแข็งแข็งแรงอยู่มีชีวิตยืนยาวเลยนะคะข อ, อสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นรลมโพงร่มไซลูกหลานคะ่ะ <laughs> พระอาจารย์สบายดีนะคะก็ยังหายใจได้ โอ้ oh. <laughs> ขอให้พระอาจารย์ท่าแข่งแข็งแรงคะ่ะหนูก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์อ่าพอดีหนูอยากจะรบกวนสอบถามพระอาจารย์เรื่องช็อกโกแลตอีกนิดนึงอะค่ะพระอาจารย์หนูเห็นอ่าผู้ที่ไปเอ่อเอาของไปถวายพระอาจารย์เห็นมีอยู่แค่ยี่ห้อเดียวอะคะ่ะพระอาจารย์อันนั้นมันเป็นอันหลักหลักเลยนะคะ ไม่จำเป็นอ่ะยี่ห้อไหนก็ได้ที่เป็นดาร์กช็อกเลนอ่บที่ไม่มีนมไม่มีอะไรผสมอย่างเงเลยเพลินคือเขาเ อ, าเอาเอาแต่ที่เป็นดาร์กช็อกเลตผสมกับน้ําตาลแค่นั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ยี่ห้อไหนไแล้ว พ, พระอาจารย์เคยเคยเคยพูดว่าเออร้อยเปอร์เซ็นมันมันก็มากขึ้นไป ม, ม, มันมันคงเลยถ้าร้อเป็นมัแต่ช็อกแลตไม่มีน้ําตาลเลยแล้วถ้าเป็นเจ็ดสิบกับแปดสิห้าเปอร์เ็นอันก็กเลต์เจดสิบน้ําตาลสามสิบเจ็ดสิบดีกว่านะคะพระอาจารย์ค่ะ มันเนี่ยมันต้องเยต้องมาจิ้น้ำตาลเราเองถ้ามันไม่มีน้ำตาลหนูจะได้แพ็คเกลผิพน้ำตาลไปเลยจะได้มีรสชาติค <c oughs> ่ะอาจารย์อาจขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าหนูหนูตั้งใจจะกลับเมืองไทยปีเนี้ยค่ะแล้วก็หนูก็จะได้เตรียมเตรียมไปอไปถวายพาาระเจ้านะคะเดีวขอบอกเคล็ล่มหน่อยนะเวลาถอยช็อกโกแลตเนี่ยต้องอย่าไปทิ้งไว้ในในกลางแดดนั้นนะเดี๋ยวมัน <c oughs> มันมันเป็นช็อกโกแลตในเวลาพอมันมันเลเไปหมดเลยต้องพยายามรักษาความเย็นไว้นะถ้ามันวางไว้ในรถนอนนี่กินไม่ได้มแต่ญาตยโยมไม่รู้บางทีเอาเวลามาถวายก็มันทีขับรถมาก็จอดอยู่ก่อนไว้ในรถในปิดประตูปิดหน้าต่างมันก็ร้อนเหมือนเตาอบกลข้าพาจ้า พอลงมาถึงจากหลายๆก้อนมันเหลือเป็นก้อนรวมเดียวรวมอ่าใช่เป็นคนละเรื่องไปเลยผ้พาผอาจารยนค่ะจะจําไว้ค่ะเดี๋ยวตอนอที่หนูไปกราบะอาจารย์หนูจะได้ใส่กติสกสาหะเอาไว้จำไว้ก็อย่า<ช>ไปอย่าอย่าไปให้มันอยู่ในที่มันร้อนมากกันแล้วกันค่ะค่ะค่ะอันนี้<า>ก็พูดเผื่อไว้ดเดี๋ยวญาติโยมส่วนใหญ่จะไม่ดูตอนนี้กัน เรพาไม่กล้าพูดเราก็ไม่กล้าพูดถ้าไม่มีเหตุให้พูดพอดีวันนี้มีเหตุพาอาจารย์หนูจะได้หนูก็จริงๆหนูก็แอบคิดเหมือนกันนะคะเพราะว่า mm hmm. ตอนหนูไปกากพาจารย์หนูก็ยังรู้สึกว่าอุตัวเรายังร้อนหรือแล้วช็อกอะไรจะมีร้อนหร mm hmm. อช็อกแล้น่าจะร้อนกว่าเราอะคะอ่ะมันก็ยังกินได้ถ้าคิดแบบกรรมฐานเนี่ยมันก็ไปอยู่ในท้งมันก็ร้อนมีแต่พาจารย์ต้องไปใส่ตู้เย็นอีกนิดหนึ่งก่อนให้มันเย็นๆก่อนนะคะอ่าถ้าจะกินนันกีเลยมันต้องมีให้มันเย็นบนะ้าบบง อืมใจค่ะพระอาจารย์เราจกินแบบทุตดงก็ยังไงก็ได้ค่ะ๋ยมันเข้าไปมันเดี๋ยวมันก็เข้าไปอยู่ในท้องอยู่ดีค่ะค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูก็ไม่ไม่มีคําถามนะคะหนูเข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มาฟังธรรมค่ะยินดีสาธุขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์คุณชัยานิดคุณหน่อยนานๆเข้าบาทีวันวันนี้ใส่ชุดกีฬาแล้วเนี่ย กลาวนมัสการผ้าจารย์เจ้าค่ะค่ะเบ้ากังไกลกเจ้าค่ะแต่ว่าก็อ า, อาทิตย์ละครั้งสองสามชั่วโมงอะค่ะเอบ้านเหงื่อค่ะอะดรีนาลีนหลังก็จะมีความสุขแต่ก็เหนื่อยเจ้าค่ะที่บ้านออกที่บ้านแล้วไปที่ยิมไปปกติไหนตีแบตเจ้าขาตีแบตใช่เจ้าค่ขาดีออกกําลังกายร่างกายจะได้แข็งแรงนี ใช่เจ้าค่ะแล้วก็หลับสบายด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็อย่าลืมอง ก, กําลังจิต ด, ด้วยนะบอกกาลังใจด้วยเลเทปหมดเลยค่ะพระอาจารย์ที่ที่บอกว่าจ ะ, จะเจริญสติใช่ไหมเจ้าค่ ะ, ะ, ะรั้เนี้ยพอเจริญสติกิเลสมันก็ดึงว่าไม่ต้องนั่งสมาธิจเจริญสติเลยอ่าพอตื่นเช้ามารู้สึกตัวอ่าว่าดูลมหายใจพุโทโธอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลืม แล้วทีนี้กลางคืนมาก็ไม่ไม่นั่งสมาธิแต่ว่าก็ยังมีสวดมนต์เจ้ค่ะแต่ก็เหมือนกับพอรู้สึกเจริญสติยากมากเลยเจ้าค่ะแล้วทีเนี้เละเทไปหมดเลยค่ะอาจารย์ก็คือว่าไม่บางทีอ่ะลืมเมื่อตัวเองมีสติด้วยเจา้าค่ะสมาธิก็ไม่ได้ทุกอย่างเละเทหมดเลยเจ้าค่ะชมเนี่ยก็ไม่เหมือนเจริญสติอยู่เรื่ยต้องฝึกเรื่ยตัง้งแต่ลืมตายขึ้นมาก็ต้องเริ่มฟังพุโทโธพุโทโธนะ เจ้าค่ะแต่เ อ, อเหมือนกับว่าพอไม่จเจอสติก็หลับดีพอเหมือนกับพอนอนเรารู้สึกตัวค่ะแล้วไม่จเจอสติจะตื่นเลยเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนกับต้องหาอะไรทำเจ้าค่ะก็เลยแต่ก็ทํายังไงก็นอนไม่หลับหรือว่าร่างกายอยากให้ขึ้นมาเดินจงกรมหรือไม่นั่งสมาธิหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่แน่ใจ มันไม่ใช่สติแล้วที่มันนานไม่หลับมันจิตมันฟุ้งซ่านมากกว่ามันจะมีสติมันสงบมันมันดับง่ายอืมแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเจ้าคะเพราะว่าอาจจะเป็นแบบว่าพ่อในอายุเข้าหลักสี่แล้วเหมือนกับกลัวว่าเป็นวัยทองอะไรอย่างเงี้ยคิดมากไปอีก น, น, นะจ้าคะก็เลยจริง <laughs> ๆอ่ะ อย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามันไม่มีอะไรต้องปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็ปล่อยวางอย่างเดียวจะค่ะแต่ว่าก็เหมือนกับต้องดึงสติอย่างที่พระอาจารย์บอกอก็ล้มแล้วลุกใหม่ล้มแล้วลุกใหม่ไหนตั้งแบบนี้เป็นพันรอบจะค่ะก็คือว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ต้อาทำไปเรื่อยๆยังการจะตั้งได้ใช่จะไม่ดมจะค่ะจนกว่าจะตั้งได้ความพยายามอย่างไหนคําสําเร็จอย่างไหนคิดอย่างนี้ ibles. จังค่ะในมองว่ายังไงอ่ะคือถ้าคือถ้าล้มรล้ลุกล้มลุกล้มลุกก็คือแบบในเริ่มใหม่ทุกครั้งเเจ้าค่ะก็ยังไม่ไม่สิ้นความพยายามเจ้าค่ะแล้วก็เข้ามาที่เข้ามานานๆเข้ามาทีก็คือมาตอบย้ำว่าตัวเองศรัทธาในพระธรรมของพระพุทธเจ้าจ้ค่ะดีอืมโอเคสาธุมีประมาณนี้เจ้าค่ะรักษาศรัทธาไว้ให้มั่นคงนะเจ้าค่ะ กลับขอบคุณพระอาจารย์แล้วจ้ะคะใช่สาธุ yeah, uh, could, uh, e อ่าไปที่คุณอน้องเอิ่งการนวัตการค่ะพระอาจารย์แล้วก็ขอบคุณพีแอนดมินด้วยค่ะพอดีว่าวันนี้เอิงเข้าช้าค่ะโอ uh huh. ค่ะแล้ววันนี้ก็จะมากลับเรียนพระอาจารย์สุชาติค่ะว่าตอนนี้เอิงได้เคลียร์เรื่องราวต่างๆเคลียร์งานเพื่อจะไปปฏิบัติอยู่วิเวก อยู่ป่าประมาณสิบวันค่ะพระอาจารย์ก็จะหายไปจากซูมประมาณสองอาทิตย์ค่ะอไม่เป็นไรถ้าไปปฏิบัติจะหายได้ถ้าไปเที่ยวหายไม่ได้ค่ะก็ก็มีเล่มเล่มที่เอิงบอกพระอาจารย์ว่าอ่านของหลวงปู่มั่นนะคะก็รู้สึกว่าจะนําเอาไปใช้ด้วยค่ะเพราะว่าที่นั่นไม่สบายอยู่แล้วค่ะไม่มีไฟฟ้าไม่มี อ่ามือถือให้เล่นเล่นมือถือไม่ได้ค่ะแล้ว <Yeah. S 1> แล้วก็กินฉันมือกินนวลเดียวค่ะอยู่ที่ไหนอบอกได้ไหมอยู่จังหวัดไหนได้ค่ะอยู่ที่โคราชค่ะโคราชดีจ oh, ึงเอิงเคยไปอยู่มาแล้วแปดแปดวันค่ะแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นแบบอยู่ยาวอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นสิบวันค่ะอยู่แยกเดี่ยวอยู่แล้วว่าอยู่อยู่กันหลายหคนแยกเดี่ยวค่ะพระอาจารย์ okay. จะมีมีการรวมกันก็คือทําข้อวัดเหมือนบ้านตัดเลยค่ะคือสวดมนต์กับเอ่อทําข้อวัดทําความสะอาดวัดค่ะเช้าก็ต้องไปช่วยล้างครัวทํงางานในล้างครัวค่ะก็จะมีแบ่งแยกค่ะบางคนถ้าไม่ถนัดครัวก็จะไปทําความสะอาดห้องน้ําแยกเท่าคนเยอะเกินอย่างเงี้ยค่ะ มีเกจิวัดด้วยจะ ไ, ได้ทํอาจารย์แล้วก็เอรู้สึกว่าถ้าบางวันหนึ่งหนึ่งในสิบวันนะ่ะอยากจะลองแบบอดอาหารสลับกันดูค่ะเพื่อดูกิเลสตัวเองตอนนี้อนให้อดหรือเป่ะที่มาไปเนะี้ยคือเอเอเขาไม่ได้มาจำกัดอะไรขนาดนั้นค่แต่เขาให้ฉันวันละมื้อค่ ะ, ะแล้วก็แบบ ตอนหลังจากฉัดแล้วอ่ะก็ไม่มีน้ำปานะที่แบบแป๊บซีชากาแฟอะไรเลยค่ะเห็นแ้วน้ำเปล่าก็คิดว่าถ้าจะไม่กินก็ไม่มีใครว่าหรือไม่มีใครทราบเพราะว่าเอิงเลือก<ม>เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แต่ยังไม่เคยอดนะคะ<ม>ปกติกินมื้อเดียวลองดูค่ะก็จะลองดูเพราะพระอาจารย์สุ ช, ชาติเคยบอกไว้ในหนังสือ ว, ว่าเคยสูงสุดแบบ เจ็วันไหมคะอเจ็ดวันแล้วเก้าวันแต่ว่าเอิญแควันเดียวใหมใหม่ ม, มันก็ต้องอด ท, แ ท, แท้แล้วแท้น้อยก่อนวันหนึ่งก่อนสองวันก่อนแล้วค่อยเพิ่มเพิ่มวันขึ้นไปเรื่อยๆค่พระอาจารย์ก็เลยจะมากับเรียนพระอาจารย์ว่าจะไปลองอยู่กับตัวเองแล้วก็วิเวกแล้วคะ่ะนี่ไปแล้วแล้วคอยควบคุมความคิดนะอย่าปล่อยให้ใจคิด แต่ว่าต้องคิดอยู่แล้วแน่นอนเลยค่ะแต่พยายามจะกลับมาให้ได้มากที่สุดค่ะโอเคได้อาจารย์ น, นี่ก่อนนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์โอเคคุณตายใช่คุณตา ย, ย, ตายเล็กามท่านเลยเก 9, ้างกับนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ก็คิดว่า เกือบจะไม่ได้เข้าโซมแล้วฟังอยู่ข้างนอกพอดีแอดมินใจดีได้เข้ามาค่ะพระอาจารย์ก็ค่ะก็ช่วงนี้ก็ได้แต่ทานแล้วก็สินสินห้านะคะสินแปดไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ภาวนาก็ยังไม่ได้เพราะว่ามีงานที่ต้องทำเยอะค่ะพรอาจารย์ก็เงี้ น, นะคะ <ก>ยงัยงไม่ค่อยเจ้าหน้าค่ะยินใดท้ทางน่วนไม่ก่อนค่ะพะอาจารย์ก็ทำเท่าที่ไหวไปก่อนเพราะว่า<ม>ช่วงนี้งานจะเยอะนิดนึงค่ะแล้วก็ขาดขาดคนงานด้วยก็เลยไม่ได้ไปไหน<ม>อ่ะพ่ะอาจารย์แต่ก็ยังยังมีทานและก็ศีลอยู่ในตัวตลอดค่ ะ, <ม>คะข้องคอยเตือนใจว่าเนี่ยเวลาของเราไม่แน่นอน บางช่วงเราว่างเราต้องรีบรีบทําำช่วงที่ไม่ว่างก็แล้วไปให้รู้ว่าชีวิตเรามันไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะมีเวลาว่างตลอดเวลาเจ้าค่ะพระอาจารย์จะน้อมนําไปปฏิบัติค่ะอือันนี้ก็ว่าช่วงไห น, น, นมีเวลาว่างเราพยายามเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัตินะเจ้าค่ะกลับฟบกันหน้าค่ะอาจารย์สาธุเจ้ า, า, จาคุณมาลี คนละสามนาทีก็แล้วกันนะวันนี้ใกล้เวลานจะหมดแล้วค่ะหลวงพ่อค่ะมีอะไรไหมวันนี้ไม่ไม่คำถามดีกว่าค่ะเดี๋ยวไว้คราวหน้าก็ได้ค่ะคดีหนูอยู่ระหว่างเดินทางไปนครนายกครับกลับแล้วเลยนะว่านั่งเฉยๆสวยอะคะ่ะนั่งอยู่ ก, ก็พูดได้ก็พูดได้ไมมีอะไรจะพูดก็พูดได้ก็นิดนึงค่ะหลวงพ่อคือว่า ไปถ้าเรายิ่งพิจารณาเข้าไปเรื่อยๆตัวเองความจริงขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งซึ่งเราอ่ะไม่ได้สังเกตอย่างทิ่ทิ่งเห็นเพิ่มขึ้นเห็นอะไรเห็นอะไรเพริ่มขึ้นของเราไม่มีสักชิ้นส่วนเดียวที่ที่มันไม่แก่มันไม่เจ็บเลยอ่ะค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็เป็นโรคจุดเลยอะค่ะหลวงพ่อ ร่างกายก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆทุกส่วนมันก็เป็นทุกอวัยวามันก็ต้องเสื่อมลงไปตามการตามเวลาของมันแล้วแล้วมันคิเห็นว่าอร่างกายตอนนี้มันเป็นผู้ป่วยหลวงพ่อมันมันยงงสัญญาณคุณมาเรไม่ค่อยดีเลยขาดขาด้หายหาย้าหลวงพ่อ ถ้าได้การก็แล้วกันนะค่ะหลวงพ่อกลับขอบพระคุณหลวงพ่อมากคะ่ะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะขอบพระคุณค่ ะ, อคคะโอเคก็ท่านสุดท้ายคุณปูแปะครูแปะเป็นยังไงบ้างธรรมาโอษจนยังยังใช้ยีประจะํานะใช่ค่ะพระอาจารย์กับสาธุค่ะพระอาจารย์คะได้ยินหนุมไหมเจ้าคะได้ยินอย่ ค่ะก็วันนี้หนูก็นั่งรถมีค่ะพระอาจารย์แล้วทีนี้ประเด็นคือปวดปัสสาวะค่ะพระอาจารย์แล้วหนูก็เลยเข้าไปในสมาธิค่ะพระอาจารย์นนกยังหนีอยู่เลยนะจ๊ะคะไม่ได้ยอมรับว่าปวดก็ปวดไปค่ะพระอาจารย์เพราะว่ากลัวกลัวมันเลอะในบนรถมีค่ะพระอาจารย์ตรงนี้ค่ะก็ยังก็ไปเข้าสมาธิพอออกจากสมาธิมันก็ไม่ปวดแล้วค่ะแล้วก็ไปต่อได้ค่ะพระอาจารย์ จุดนี้หนูก็ยังหนีก็อยู่อะค่ะพระอาจารย์แต่บางทีมันก็ต้องหนีถ้ามันทําให้เรี่ยนเลียนเลยใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบพระอาจารย์คะหนูเคยมีข้อสงสัยคะ่ะเวลาไฟไหมอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ส่วนใหญ่จะหนีหรือเปล่าคะหรือว่ายอมรับอย่างเงี้ยค่ะเวลาถ้าหนีได้ก็หนีนีถ้ายังนีถ้าหนีไม่ได้ก็นั่งสมาธิไปอ๋อค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ อ่าแต่ยังหนีได้อยู่แต่มันไม่ใช่หนีแล้วไม่หนีแตตัวสําคัญตัวสาคัญกลัวแล้วไม่กลัวอย่ากลัวถ้าไม่กลัวอยู่ก็ได้หนีก็ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่หนีแล้วไม่หนีมันอยู่ที่กลัวแล้วไม่กลัวอ๋อจ๊อกคะพระอาจารย์ค่ะพอถ้าถ้าอยู่โรงพยาบาลก็ไม่หนีค่ะเพราะว่าเปียกก็เปียกเลยแต่ว่าถ้าอยู่บนแบบในชุมชนหรือสังคมอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ถ้าป่อยแล้วมันเตีย้ยก็โอข้างรอบข้างก็คงจะโอยวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอดการได้ก็ลองกานไว้ก่อนนะเดี๋ยวอยู่ในสังคมมันก็ต้องมีมารยาทเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่เลยค่ะพระอาจารย์บางครั้งแบบแต่งเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะสังคมเขาต้องการแบบนี้ก็แต่งไปตามที่เขาต้องการค่ะพระอาจารย์ใช่ในงานสมย่าไปแต่งชุดสีเขียวสีแดงอเงี้ย <c oughs> ต้องใส่ชุดดํา <c oughs> เจ้าค่ะดงรู้รูจักกาลเทศะนะเจ้าค่ะพาค่ะสาธุค่ะค่ะอ่าคุณลาเชิญคำถามจากคุณลากับนมหการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดหกคำถามจากทาง a c e บุ o k เจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณเจเจกลบนมสการพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วตัวโยกเราต้องทำอย่างไรคะ ไม่ต้องสนใจแสดงวาสติเราไม่ไม่มีกรับมาที่สติกลรบมาที่พุโทโธแล้วกลับมาที่ลมหายใจแล้วแต่ว่าเราใช้อะไรอยู่ก็กลับมาไม่ต้องไปสนใจกันเรื่องตัวโยกมันจะโยกก็ปล่อยมันโยกไปคำถามต่อไปจากคุณชนินกราบนมัสการพระอาจารย์ครับความคิดชอบปรุงแต่งไปแต่พอรู้สึกว่าตัวเองเหม่อไปกับทางโลกก็จะเห็นตัวเหม่อคือร่างกายและความคิด แบบนี้ทำถูกไหมครับเห็นร่างกายก้มหน้าดูจอคอมและเห็นตัวเพ่งตัวมือขอาการบ้านจากพระอาจารย์ด้วยครับไม่ถูกต้องเห็นลมแล้วเห็นพุทโธดีกว่าอย่าไปเห็นอะไเอะเพยายามดูลมดูพุทโธไปอยู่พุทโธไปคำถามตอบไปการใช้ชีวิตประจำวันถ้ามีเวลาว่างเป็นช่วงๆผมควรใช้เวลานั้นฝึกกำหนดหยุดคิด หรือควรฝึกคิดสิ่งต่างๆในทางตรายลักหรือควรจะทำสลับกันไปครับเอาอยูดคิดใค้ได้ก่อนเอาอยู่คิดไม่ได้ไปคิดทางตรายรักมันี่ยมันจะไม่เป็นตรายรักมันจะเป็นตรายกิเลสไปนมากกว่าคำถามต่อไปจะรู้ได้อย่างไรว่าคนตายแล้วจิตจะไปเกิดใหม่จิตไม่สูญขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างครับอ๋อต้องปฏิบัติตันทีติโก ปฏิบัติย่จะรู้เองเห็นเองได้ผู้ปฏิบัติย่ำพิสูจน์ได้ด้วยด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติของตนเองคนอื่นบอกไม่ได้บอกก็มองไม่เห็นอยู่ดีคำถามต่อไปถ้าคนเราสามารถใช้ปัญญาทางโลกพิจารณาปล่อยวางความทุกข์โดยไม่เคยทำสมาธิเช่นกรณีสูญเสียบุคคลที่รักก็ทำใจปล่อยวางแล้วให้มันผ่านไปโดยไม่ได้ทำสมาธิ แบบนี้จะแตกต่างอย่างไรจากการปล่อยวางที่เกิดจากการทำสมาธิครับก็ไม่ต่างถ้าปล่อยวางได้ก็ใช้ไปใช้ได้แสดงว่ามีสมาธิอยู่แล้วคำถามสุดท้ายจากคุณกรเทพรบกวนสอบถามครับถ้าผมอยากทำบุญต้องทำอย่างไรหรือให้เดินทางไปที่วัดครับรทำบุญกับพ่อที่บ้านก่อนไหมซื้อข้าวซื้อขนมซื้ออะไรามาฝากพ่อแม่ย่เรื่อยๆก่อน คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคกูบาาจารย์นสอนสมอยว่าก่อนที่เราไปทําบุญกับพระอาหารนอกวันนี่นอกบ้านนี่ให้ทําบุญกับพระอาหารในบ้านก่อนเาาอาไปพระอาหารสองรอบอยู่ในบ้านเราทําแล้วได้บุญมากคือพ่อกับแม่ของเราทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุข ท, ทําเชื่ก่อนให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ปล่อยให้พ่อแม่อยู่แบบอยา่อยางๆแล้วก็เงินไปทำบุญกับพระ ว, วันนู้นวันนี้น ทำบุญให้พ่อแม่อยู่อย่างสุขอย่างสบายก่อนแล้วค่อยไปทำบุญกับพระข้างนอกบ้านต่อไปเอาแล้วนะวันนี้สําหรับเวลาก็หมดพอดีขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอด